อาจารย์ครับจากนรัสการครับผมเจริญพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับอาจารย์ครับเสียงอาจารย์ยังนิดๆอยู่นะครับอายังเหนื่อยอีกหน่อยแต่ไม่มีอาการอะไรแล้วครับผมอาจารย์แข็งแรงสบายดีแล้วนะครับก็เป็นปกติคือว่าเป็นปกติแล้วไม่ปวดไม่เมื่อยแม่เลยครับหมอาจารย์วันนี้มีคนไปบิดไปใส่บาตกี่คนนะครับท่านที่ใส่ก็ห้าร้อยสิบสองคน ล้วที่ทางบ้านอีกประมาณร้อยร้อยแปดสิบมัง 180, 170, 170, ม้งประมาณร้อยแปดสิบร้ยเจ็ดสิบรเจ็ดสิบสองหสเจ็ดร้อยคนครับอาจารย์ครับเจ็อร้อยคนกลับจากทุกของผมปมะมานนี้กลับมากกว่ า, าวันวันศุกร์กับไอวันเสาร์เป็นวันพระ ด, ด้วยอ๋อก็เลยห้าร้อยเออห้าร้อยเก้าสิบสามโอ้ แล้วคนที่ฝากใส่ประมาณสามร้อยนะสามร้ยเงิ น, นาคก็ฝากใส่กนเยอะครับผมก็เก้าร้อยกว่าโอ้โหอาจารย์เดินรอบเดียวคนได้ทาบุญทำทานเยอะเลยครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับวันนี้จัดรายการครั้งที่หนึ่งร้อยสี่สิบสามแล้วครับผมผมขออนุญาตอาจารย์ให้ปัญญาเกี่ยวกับเรื่องของความสันโดษครับอาจารย์ครับกลับออกคำไิยต่างอาจารย์ครับก็เ น, นี่ยตัวอย่างสันโดษ บิณฑบาตอาหารเป็นเป็นกิจเรียกว่าเป็นความสันโดษของพระนะฮแล้วกายกายเป็นทรัพย์ขึ้นมานคนใส่บาตกันเยอะแยะเลยตอนที่คุณหมอไปบวชนี่คุณหมอต้องเอาเงินทองไปหรือเปล่าไม่ได้เอาไปเลยครับเพราะอาจารย์ใช่แล้วเวลามันบวชนี่ก็จะมีอาจารย์สอนอนุาสานวิธีอยู่อย่างสันโดษของพระสี่ข้อด้วยกันคือหนึ่งให้บิณฑบาตเป็นวัดเป็นกิจวัดอาหาร กินดีอาหารที่ได้จากการบินทบาต 2. สองีวรให้ใช้ผ้าบางสกุลหรือผ้าที่เขาห่อศพทิ้ไงไว้ในป่าชาลาอยู่ตามคนไม้ที่อยู่อาศัย 4. ยาก็ใช้ยาดองน้ำมูดของตนเองเอาสมองมาดองด้วยน้ำมูดของตนเองและเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดื่มยาดองนี้แทนเป็นยารักษาโรคสมัยโบราณ อันนี้เป็นธรรมเนียมมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลทั้งแต่มีการบวชมาเนี่ยท่านสอนอย่างนี้สอนให้มีความสันโดษในปัจจัยสี่พราะสมัยก่อนท่านไม่มีวัดไม่มีอะไรท่านก็อยู่ตามคนมาอยู่ตามป่าพระเจ้าตัสลูที่คนไม้คขนต้นโพแสดงธรรมครั้งแรกก็สแสดงที่คนต้นไม้ในป่าอิสิปั ต, ตนะอะไรเนี่ยก็นี่คือสภาพของความสันโดษของพระ ป้าไม่มีเงินทองว่าอะต้องใช้ความสันโดษเป็นเหมือนเป็นแทนเป็นทรัพย์แทนสันโดษจึงถือว่าเป็นเป็นซัพย์อันยิ่งใหญ่คนผู้ใดสามารถใช้สันโดษได้นี่ก็ไม่ต้องใช้ซัพยบอย่างคุณหมอเนี่ยเดือนหนึ่งใช้ค่าปัจจัยสเท่าไหร่ค่าบ้านค่าอะไรต่างๆนี่ค่าใช้จ่ายตกเดือนเท่าไหร่เอาเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยแมย้แต่บาทเดียว ครับใ่าอาจารยคือกรมไม่ของสันโดษที่เป็นทรัพย์ก็อย่างนี้แหละครับคนมีความสันโดษแล้วอยู่อยู่แบบไหนก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้เพราะคนมีความสันโดษ ย, ยินดีตามมีตามเกิดยินดีตามที่ได้รับยินดีกับสิ่งที่ได้รับพอใจกับสิ่งที่มีอยู่ อาจารย์ครับแล้วสันโดษกับมักน้อยนี่มีความแตกต่างกันยังไงครับอาจารย์ครับมักน้อยก็คือเราต้องการเพียงเท่าที่เรามเท่าที่จําเป็นเช่นเราต้องการเสื้อผ้า ก, กี่ชุดน่ะที่ที่จําเป็นจะต้องมีอย่างผ้านี่ก็ขาทางว่าสามผ้าตายหนึ่งชุดก็ก็เรียกว่ามักน้อยมีครบแต่สันโดษนี่จะหนักกว่ามากน้อยคือบางทีได้น้อยกว่า ได้น้อยกว่าที่เราจําเป็นยังต้องมีก็ให้ให้พอใจเช่นเราต้องการมีผ้าสามผืนแต่พอดีได้แค่สองผืนก็ก็ให้ยินดีแค่สองผืนไปไม่ให้ทุกกับการขาดแคลนแม้กระทั่งในสิ่งที่จําเป็นเช่นบางทีบางครั้งไปบินราบาตแล้วได้แต่ข้าวปล่ามาหรือไม่ได้ข้าวเลยสมมุติเองก็ให้ยินดีกับกับเหตุการณ์นั้นนั้นไป แต่ถ้าบางน้อยนี่มันอย่างน้อยก็ต้องมีวันฉันนั้นหนึ่งเมื่ออะไรอย่างนี้เห็นมากน้อยนี่สู้สันโดดไม่ได้สันโดดนี่อมีมีความเข้มข้นกว่าความมากน้อยครับมากน้อยเรายังเรายังต้องหาเอาเอาเท่าที่เราจําเป็นจะต้องมีแต่ถ้าสันโดดนี่บางที อาจจะไม่ได้ตามที่เราจําเป็นจะต้องมีก็ถ้าให้พอใจกับสิ่งที่เราได้รับไปบอาจารย์ครับนอกจากพวกเราอยู่ในโลกอย่างนี้เราจะเอาสันโดษมาฝึกในชีวิตประจาวันเราได้ยังไงบ้างครับอาจารย์ครับอ่าก็เรื่องอาหารก็<ม>เราอย่างนีอ่าไปอย่าไปสั่งให้เขาทําอาหารอย่างนั้นอย่างนี้มา เช่นคราวที่ล้วบอกว่าไปร้านอาหารก็บอกให้จัดจัดอาหารมาให้แค่สองสามอย่างอันนี้ก็คือยินดีตามมีตามเกิดเสื้อผ้าก็ก็ให้เรายินดีตามที่เราได้มาแต่ก็ต้องต้องให้มันอย่าให้มันมากอย่าให้มันมากกว่าความมากน้อยสันโดษมันต้องน้อยกว่าความมากน้อยก็คือเรามีความจําเป็นได้ต้องมีเสื้อผ้า ีชุดถ้าคุณหมอมาอยู่ที่วัดนี่ก็สามชุดก็พอใช่มใช่ค่ชุดหนึ่งไว้ใส่ชุดหนึ่งไว้ซักแล้วชุดหนึ่งไว้สำรองแื่มันซักแล้วมันไม่แห้งก็มีอีชุดหนึ่งชุดขาวสามชุดนี้ก็ถือว่าพอเพียงแล้วกับการกับการอยู่ของคารวานะแต่ถ้าในในในในฐานะของคุณหมอเนี่ยอาจจะต้องมีหลายชุด ชุดที่ต้องใส่ทํางานชุดจะต้องไปงานชุดไปอะไรต่างๆมันก็ต้องมีไปตามตามสภาพของความจําเป็นแต่ถ้ามีพอเพียงแล้วก็ไม่ขุณขวายหาเพิ่มอีกไม่ใช่ใสยชุดนี้แล้วเบื่อสีไม่สวยไม่เท่เปลี่ยนชุดใหม่หน่อยอย่ น, นี้ไม่ควรให้ให้มีเท่าที่จําเป็นจะต้องมีเสื้อผ้าที่อยู่อาศัย ถ้าเราคิดว่าเราอยู่รู้เกินไปค่าใช้จ่ายสูงเงินไปเราจะลดลงก็ได้ี่ <Yeah. S 1> ลดอยู่แบบให้มันถูกลง <Yeah. S 1> ก็ได้แต่ถ้าเราไม่เดือดร้อนเราอยู่แบบนี้ได้แล้วมันมีมาแบบนี้ถือว่าเป็นมุญของเราที่เราได้อยู่แบบนี้ก็อยู่ไปครับ <Yeah. S 1> แต่วันข้างหน้าถ้าเกิดเศรษฐกิจตกต่ําคุณหมอไม่มีลกคนค่อนไข้มารักษาไม่มีรายได้ <Yeah. S 1> yeah. ไม่สามารถที่จะอยู่ในระดับนี้ได้ก็ต้องปรับระดับลงไปตามความเป็นจริงสันโดษพยายามเกครับอาจารย์ยารักษาโลกก็สามสิบบาทรักษาโลกก็รักษาได้แต่ต้องต่อคิวนานหน่อยครับอาจารย์สันโดษก็เป็นเวลา ย, ยินดียินดีตามมีตามเกิดก็เดี๋ยวพวกเราจะนำไปฝึกกันครับอาจารย์ครับ ถ้าใช้สันโดษได้ก็ใช้ซับน้อยใช่ไหมแทนที่อยจะต้องไปรักษาในโรงพยาบาลเอกชนสามหมื่นก็เสียแค่สามสิบบาทใช่ครับ <c oughs> <c oughs> ขอบผมความสันโดนจ่ยังเป็นซับใช่ไหมตามที่ข้อหัวข้อที่คุณหมอสแสดงมาใช่ครับพอดีพอดีพออ่านแล้วรู้สึกดีจังเลยครับบอกว่าความสันโดษเป็นซับมันดู มันดูแบบเออมันตกจริงๆความรู้สึกผมคือตรงกับอาจารย์เขาผมก็เลยเลือกที่จงกระถ u ข้อนี้ครับใช่ใช่สันโดษแล้วเราจะประหยัดเงินทองได้เยอะลดรายจ่ายลงได้เยอะเมื่อรายจ่ายลดลงการที่จะต้องไปเครียดกับการหารายรับมามันก็น้อยลงอาจารย์ครับขอโอกาสถามคำถามจากเพื่อนๆมีคนหลายคนก็ถามเรื่องสันโดษครับเดี๋ยวจะขึ้นมานะครับ จากคุณรนาครับบอกว่าเรียนถามพระอาจารย์แบบไหนคือการพิจารณาปัญญาพิจารณาได้ตลอดเวลาหรือไม่ครับเราท่านเราพิจารณาได้<ม>ก็พิจารณาไปเลยคือในช่วงที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิท่านเองช่วงขณะที่เราทําสมาธินี่เราไม่ไม่ต้องใช้ไม่ต้องการใช้ความคิดแเราต้องการหยุดความคิดช่วงนั้นเราก็ใช้ปัญญาไม่ได้เวลาทําจิตให้สงบให้เข้ารูปฌานนี้มันต้องหยุดคิดช่วงนั้นเราทํา พิจารณาทางปัญญาไม่ได้แต่ถ้าเราอยู่ในช่วงที่เราไม่ได้เข้าสมาธิเราเรามีความคิดปล่อยให้ความคิดคิดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็ดึงเอาความคิดมาพิจารณาตายลักพิจารณาร่างกายก่อนก็ได้พิจารณาว่าร่างกายของเราเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีตัวตนเป็นดินน้ำลมไฟทำมาจากธาตุสี่เป็นอาการสามสิบสอง คนหาในร่างกายก็เจอแต่อาการสานสิบสองไม่เจอตัวเรามีอยู่ในร่างกายพิจารณาจะใบกว่าจะเห็นอ น, นิจจังความไม่เที่ยงแท้แ น, น, น่นอนของร่างกายเห็นอนาัตนาตาว่าไม่มีร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราจนเราสามารถปล่อยวางร่างกายได้ไม่ทุกข์กับร่างกายได้เราก็หยุดพิจารณาไดนะ้คิดพิจารณาจนขั้นตอนเราจะปล่อยวางได้ปล่อยพระอุปทานความยึดถือว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราให้ได้ อันนี้พิจารณาได้ตลอดเวลาแต่แต่จะทาใจได้หรือเปล่าเท่านั้นเองถ้ายัางทําใจไม่ได้แสดงว่าเรายัางไม่มีอุเบกขาที่จะหยุดความอยากที่จะไปยึดไปติดกับร่างกายเราก็ต้องพยายามฝึกสมาธิให้เยอะๆให้มีกําลังอุเบกขาให้เยอะๆแล้วพอเรามาพิจารณาร่างกายว่าเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาแล้วเราปล่อยได้ไม่ทุกข์กับมันได้ อันนั้นนะก็ถือว่าเราก็สําเร็จขั้นขั้นร่างกายไปแล้วปล่อยวางร่างกายได้พิจารณาว่าเห็นมันมันเป็นเพียงแต่ดินน้าลมไฟไม่ใช่ตัวเราของเราเัาเป็นของไม่เที่ยงที่เกิดแล้วต้องแก่ต้องตายไปเป็นธรรมดาต้องเจ็บเป็นธรรมดาก็ปล่อยวางไปไม่ทุกข์กับมัน เราก็มาพิจารณาร่างกายดูความไม่สวยงามของร่างกายเพื่อแก้วความหลงที่มักจะไปเห็นร่างกายของคนนั้นคนที่ว่าหน้าดูหน้าชมหน้าสวยแล้วก็ทําให้เกิดการอารมณ์ขึ้นมาอันนี้เราก็ต้องมาพิจารณาให้เห็นอสุภะเห็นอาการ32อยู่ตลอดเวลามองร่างกายของใครทีไรพอจะว่าเขาสวยปั๊บมันก็อสุภะมันก็จะโผล่ขึ้นมาทันที เห็นโครงกระดูกเขาเห็นปอดเห็นตับเห็นลำไส้ของเขามันก็จะระ ง, งับการมาราคะได้อันนี้ต้องพิจารณาจนกว่าจะสามารถแก้ปัญหาตัวนี้ได้คือการมาราคะความอยากจะเสพการร่วมร่วมแบบนอนกับผู้อื่นอันนี้ก็เป็นการพิจารณาปัญญาท่านอยู่ในขั้นปัญญาแล้วก็ต้องพิจารณาอย่างนี้ตลอดเวลาจากนกระทั่งมันเป็นอัตโนมัต เห็นร in <laş teasing. S 1> ่างกายของใครก็เ <headed> ห <Aunt S 2> ็นเป็นตายรักเห็นเป็นอัสุภะทันทีเลยอาจารย์ครับอย่างคําว่าสันโดดนี่ก็เป็นการฝึกในขั้นปัญญาด้วยไหมครับอาจารย์ไม่เราสันโดดนี่ก็คือเรื่องของการบริโภคปัจจัยสี่มากกว่าคําถามนี้ไม่เกี่ยวกับสันโดดนี่เขาถามเรื่องพิจารณาปัญญานะผมแค่คิดว่าการฝึกว่าเราจะต้องเป็นคนที่สันโดดนี้มันเป็นการฝึก ก็ไม่ได้ใช่ในแง่ของสมถะก็เลยคิดว่าเป็นปัญญาหรือเปล่าครับอาจารย์แบบครับคือคนมักจะไปเข้าใจว่าสันโดษก็คือสมถะมากน้อยสันโดษเป็นสมถะเรียบง่ายคือเราอาภาษาที่มีความหมายอย่างหนึง่งมาใช้กับอีกอย่างหนึง่งเรามาแปลสมถะว่าเป็นการอยู่แบบเรียบง่ายสันโดษสมถะเรียบง่ายใช่ไหมในกรณีคำว่ามสมถะนี่คือความสงบของใจสมถะภาวนา วิปัสสนาภาวนาการภาวนามีสองระดับระดับแรกเรียกว่าสมถะภาวนาทําจิตใจให้สงบซึ่งโดยปกติคนที่ปฏิบัติสมถะภาวนาก็ามักจะเป็นคนมากน้อยสันโดษนั่นเองเขาก็เลยมาใช้รวมรวมกันไปแทนกันไปจนกระทั่งสับสนกันไปครับปกติคนที่ปฏิบัติสมถะภาวนาก็จะเป็นคนถือศีลแปดกันก็มากน้อยสันโดษการถือศีลแปดนี่ก็เป็นการมากน้อยสันโดษ เรียบง่าย <c oughs> คุณแว่นครับบางครั้งขณะภาวนาพุทโธพุธโทพธโธเห็นจิตเผลอไปคิดเรื่องนี้เรื่องนั้นพยายามดึงกลับมาอยู่กับพุโทโธพุธโทโธเร็วๆทีๆจิตก็ยังเผลอออกนอกกายไปอีกยิ่งอยากให้สงบยิ่งไม่สงบจิตไม่ตั้งมั่นควรทาอย่างไรครับก็ <c oughs> <c oughs> ต้องใจเย็นๆต้องกลับมาที่พุโทโธแล้วก็อย่าไปตามความคิดพอรู้ว่าเราไปตามความคิดแล้วก็ พอพุทโธหายไปเราก็ต้องดึงพุทโธกลับมาก็ต้องใจเย็นๆเหมือนกับคนที่หัดเดินเดินได้สอก้าวก็ล้มลงไปล้มลงไปแล้วก็พยายามลุกขึ้นมาเดินใหม่พยายามฝึกไปเรื่อยๆอย่าไปรีบร้อนอย่าไปอยากให้มันสงบตั้งมัน่นเพราะมันยิ่งอยากมันยิ่งทําให้เกิดความทุกข์เกิดความเครียดขึ้นมาใน ใ, นใจจนกระทั่งทําใหไ้ไม่มีความสุขในการปฏิบัติ แตถ้าเรา ม, มีความอยากเรารู้ว่างานนี้ต้องต้องใจยเยน็นเย็นต้องพยายามฝึกสติไปเรื่อยๆพุทโธหายก็ต้องดึงพุทโธกลับมาทํามันอย่างนี้ไปเรื่อยๆให้มีความสุขกับการดึงพุทโธกลับมาอยู่เรื่อยๆแล้วส่วนผลจิตจะสงบไม่สงบเราไม่ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เป็นประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญของเราคือต้องรักษาพุทโธให้อยู่กับเราไปให้ได้ตลอด ถ้ามีพุโทโธมีสติแล้วเดี๋ยวความสงบมันก็ตามมาเองโดยอัตโนมัติความสงบมไม่ได้เกิดจากความอยากให้จิตสงบตั้งมันแต่อย่างไดจากพิสมพรครับความสงบที่ดีที่สุดเกิดมาจากการนั่งสมาธิเป็นหลักโยมเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องไหมครับดีที่สุดแ ต, แต่ยังไม่สงความสงบนี้ยังไม่ดีที่สุดเพราะเป็นความสงบแบบเชื่อคราว จากการนั่งสมาธิถ้าต้องการให้ความสงบที่ดีที่สุดนี่ต้องเป็นความสงบที่เกิดจากปัญญาเกิดจากการละกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจแล้วอันนั้นจะเป็นความสงบที่ยั่งยืนถาวรไม่มีวันเสือ่อมอันนั้นเป็นความสงบที่ดีที่สุดอุดเอ็มชุกกรครับบอกว่าเวลาสวดมนต์ต้องหาวแบบง่วงนอนตลอด ต้องถือศีลแปลดยเดี๋ยวไปกินข้าวเย็นอยู่ยคุณไตรตาครับข้อเสียกับโทษของกามรมคืออะไรครับแล้วจะระงับได้อย่างไรครับมันก็จะทำให้เราติดมันเป็นเหมือนยาเสพติดอะเวลาคุณติดอะไรคุณก็ต้องมีสิ่งนั้นมาเสพอยู่เรื่อยพอเวลาไดไม่ได้เสพเวลานั้นก็งดหงืห่อนำคาลใจไม่มีความสุขอันนี้ก็เหมือนกัน การมารุมก็คือเป็นยาเสพติดอย่า ง, พงเพียงแต่เราไม่เรียกว่ามันเป็นยาเสพติดเพราะทุกคนเสพกันก็เลยก็เลยยอมรับว่ามันเป็นเป็นสิ่งที่มนุษย์ปุตุชนธรรมดายังไม่สามารถก้าวข้ามได้คุณวิไลครับบอกว่าวันนี้มาปฏิบัติธรรมปริวาสถือศีลแปดสี่วันอยากทราบว่าถือศีลแปดทานคอลลาเจนได้ไหมครับผิดศีลแปดไหมครับ ไม่ทราบว่าคอลลาเจนเป็นอาหารหรือเป็นยาถ้าเป็นอาหารก็ฉันรับประทานหลังเที่ยงวันไม่ได้แต่ถ้าเป็นยาก็รับประทานได้คุณสมพรครับความสงบเกิดจากจิตใจที่มีความสงบแต่จิตใจจะมีความสงบได้ต้องเกิดจากการนั่งสมาธิเป็นหลักอ่อนคล้ายๆเดิมครับอาจารย์ก็ต้องมีสตินั่งสมาธิถ้าไม่มีสติมันก็ไม่สงบอยู่ดีมันต้องมีสติเวลานั่งสมาธิไม่ใช่นั่งเฉยๆแล้ว มันจะสงบเพราะเรานั่งมันไม่ไ ม, ไม่นั่งเฉยๆมันไม่สงบนั่งสมาธิต้องมีสติกำกับใจเช่นดูลมหายใจเข้าออกหรือบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่างนี้ถึงยังเรียกว่านั่งสมาธิแบบมีสติคุณสุทิชาครับเวลาใส่บาตรตอนเช้าใส่กับข้าวแล้วใส่เงินด้วยบาทไหมครับไม่บาทหรอกเพียงแต่ว่ามันอาจจะมันไม่ถูกกติกาของพระ ถ้าท่านจะไม่จะไม่รับเงินกับมือเรื่องกับภาชนะที่ท่านถือมาด้วยเช่นบาทเนี่ยถ้าจะใส่เงินต้องฝากกับลูกศิษย์ที่เดินตามมาถ้าไม่มีลูกศิษย์ก็ก็ถ้าอยากจะถอยเงินก็เราไปที่วัดแล้วไปถอยท่านที่วัดอีกทีขึ้นคุณสิงห์กี่ยวถามเรื่องความสันโดษ ด, ดียังไงตอบโจทย์เรื่องอะไรบ้างครับเรื่องเงินไม่พอใช้ไง ถ้าคุณสันโดษนะคุณจะมีเงินเหลือใช้ที่คนไม่เงินไม่ค่อยพอใช้กันเพราะคุณไม่สันโดษกันหัาบใจซื้อข้าวของฟุ่มเฟือยความสันโดษนี่มันตรงกันข้ามกับความฟุ่มเฟือยคุณเพียงพิษครับถ้าเราเลี้ยงปลาแล้วนําปลามาทําลายชีวิตเพื่อเป็นอาหารเป็นบาปหรือเปล่าแล้วถ้าเราเกล่าวคําขอโอโหสิกรรมปลาก่อนจะช่วยให้ไม่บาปไหมครับถ้าคนหนึ่งเขา ขอเอาเสก่อนที่เขาจะฆ่าคนนี้คุณคิดว่าเขาจะไม่บาปหรือเปล่าลองคิดแค่นี้มันก็รู้แล้วมันบาปเพราะไม่มีใครต้องการให้ใครมาทำลายชีวิตของตนเองการทําลายชีวิตของผู้อื่นนี่ก็เป็นการกระทำบาปไม่ว่าด้วยด้วยเหตุผลกลไกใดก็มีอบายอยู่สี่ที่ยที่จะไปจากการฆ่าสัตว์ ถ้าฆ่าสัตว์เพื่อเลี้ยงชีพของตนเองก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นเดรัจฉานต่อไปถ้าฆ่าบะฆ่าสัตว์ด้วยการด้วยความโลภอยากจะมีเงินมากๆก็เลยฆ่าเยอะๆจะได้เอาไปขายได้เงินเยอะๆนี่ก็จะไปเป็นเปรตถ้าฆ่าสัตว์ด้วยความกลัวกลัวเขาจะมาฆ่าเรามาทำร้ายเรามากัดเราเราก็ฆ่าเขาก่อนอันนี้ก็จะไปเป็นโรคเลรกาย อาฆ่าด้วยความโกรธเพราะเขามาขโมยของในบ้านเราหรือมากัดกินของในบ้านเราเราได้ฆ่ามันตายฆ่าสัตว์เช่นหมาหรือสุนัขนี่ตายอย่างนี้ก็จะไปนรกฆ่าด้วยความทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทอาบาัยทังมีอยู่สี่ทีด่ด้วยกันเกิดจากสาเหตุของการกระทำบาปว่าทําด้วยสาเหตุอะนรทาเพื่อแล้งชีพก็ไปเป็นเลระฉานทําด้วยความโลภอยากได้เยอะๆอยากมีเงินเยอะๆได้ข้าวของเยอะๆก็เลย คาอย่างนี้ก็ก็จะไปเป็นเปรตถ้าฆ่าด้วยความกลัวกลัวเขาจะมาฆ่าเราหรือมามาทําลายเราหรือมาสร้างปัญหากับเราเราก็เลยกลับจัดเข้าไปด้วยการฆ่าเขาก่อนอันนี้ก็จะไปเป็นอสูรรกายถ้าฆ่าด้วยความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาททาให้เราแค้นก็เลยฆ่าด้วยความแค้นล้างแค้นกันนี้ก็ไปไปนรก จะไปขอโหสิกรรมมันได้หรือเปล่าคนหนึ่ก็เขาก่อนก็จะมาฆ่าเราเขาว่าขอโหสิกรรมเรายอมไหมยอมไหมเอาฆ่าไหมไม่มีทางนี้ไม่ดีเราฆ่าเ ข, า, ขาก่อนจนะได้ที่สมพรครับพักหลังๆโยมเป็นคนขี้ลืมลืมอะไรง่ายๆเกิดจากการที่โยมไม่มีสติขาดสมาธิเป็นหลักเข้าใจอย่างนี้ถูกหรือยังครับถูกต้องสตินี่มีส่วนที่จะรักษาความ ความจะแม่หายไปง่ายพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ อ, อายุท่านข้าสิบกว่าท่านก็ยังจำอะไรได้อยู่ท่าไม่หลงลืมท่านไม่ไม่เป็นอัลไซเมอร์คุณสมาธิครับกราบพระอาจารย์ครับขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายรูปฌานอรูปฌานครับก็เป็นความสงบที่มีความละเอียดต่างกันสงบมากน้อยต่างกัน รูปฌานก็มีความสงบไม่เท่ากับความสงบของอรูปฌานถ้าอยากจะคุยดูถ้าอยากจะรู้ว่าคุณสมบัติของรูปฌานมีอะไรบ้างก็ต้องไปเปิด google ดูนะเ้าจะบอกฌาน ช, าชั้นที่หนึ่งมีอะไรบ้างเช่นมีวิมีวิตตบมีวิจารมีปิติมีสุขแล้วถ้าเข้าฌานขั้นที่สองวิตตบวิจารก็จะหายไปเลยแต่ปิติสุขหรืออะไรทำนอเนี่ยจําไม่ได้แนละ้ว พอถึงฌานรูปาญขั้นที่สีก็เลยแต่อุเบกขาสัตว์แตวรู้เป็นอารมณ์มีเป็นหนึ่งเดียวคือสัตว์แตวรู้คุณมาลีครับพระสายมหานิกายกับสายธรรมยุตต่างกันตรงไหนและการรับอาหารพิธบาตรมีห้ามแบบไหนบ้างไหมครับก็จะต่างกันตรงที่เรื่องของการรักษาพระวินัยบางข้อ เช่นพรามาอานิการนี้ท่านจับต้องเงินทองได้ญาติโยมจะถวายเงินใส่บาทท่านได้ถวายเงินให้ท่านรับกับมือก็ได้แล้วท่านก็ไปเก็บไว้ใช้เองได้ไม่ต้องไปฝากใครไว้แต่ทางสายธรรมยุทธนี้ท่านรับรับเงินก็ต้องไปฝากกับคนที่เขาเชื่อถือได้ไม่ให้เก็บไม่ให้เก็บรักษาไว้เองและไม่ให้ไปใช้เองถ้าอยากจะซื้อข้าวซื้อของก็ต้องฝากบอกให้ลูกศิษย์เป็นคนรปจัดการ ซื้อมาให้อีกอย่างก็เกี่ยวกับเรื่องการแปลความหมายในในของรัประทานบางชนิดว่าเป็นเป็นอาหารหรือเป็นเป็นยาเช่นพระมหาเนกายท่านว่าพวกนมนี้ถือว่าเป็นเป็นไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นอาหารเป็นยาเป็นเครื่องดื่มที่สามารถดื่มได้หลังจากเที่งวันไปแล้วในสายธรรมยุทธ์นี่ท่านก็แปลว่ามันเป็นอาหาร รับประทานไม่ได้้จะเด็มกาแฟนี้ใส่นมไม่ได้ใส่ได้แต่น้ำตาลนี้เป็นต้นก็มีไม่มากส่วนใหญ่ก็มีแค่แค่สองสามข้อนี้ถ้าที่จำได้แต่มันจะต่างกันตรงที่ <c ode> การประพฤติปฏิบัติข้อวัดปฏิบัติต่างๆนี้อาจจะหย่อนยานไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, มากน้อยไม่เท่ากันสมัยพระสมัยที่เกิดสายธรรมยุท์ขึ้นมาเพราะว่าเป็น เป็นสมัยรัช ก, กาลที่สี่มั้งดังนั้นท่านยังไม่ได้เป็นขึ้นยังไม่ได้ขึ้นเป็นรัช ก, กาลที่สี่ท่านก็บวชเป็นพระก่อนที่ท่านจะบวชเป็นพระท่านก็ศึกษาดูพระแล้วท่านเห็นว่าพระบานิการนี้ท่านปฏิบัติย่อหยอดไม่ไม่ไม่ให้ความสําคัญกับการศึกษาปฏิบัติธรรมเท่าที่ควรกลับเอาเวลาไปใช้ทําอย่างอื่นเช่นเล่นหมากรุกเต๋ดตะก้ออ่าอเป็นหมอดูหรือทําอะไรต่างๆ ซึ่งมันไม่ใช่เป็นกิจขงสงโดยตรงท่านก็เลยไปศรัทธาพระมรที่เขาปฏิบัติเขร่งครัดตามพระวินัยพอท่านบวชแล้วก็มีคนที่ศรัทธาในตัวท่านก็ขอติดตามบวช ด, ด้วยก็เลยตอนต้นก็กลายเป็นคณะธรรมยุทธขึ้นมาแล้วตามมามีคนบวชมากขึ้นมากขึ้นก็เลยกลายเป็นคณะเป็นเป็นนิกายขึ้นมาแต่นิกายธรรมยุทธ์นี่เป็นนิกายเล็กมากถ้าเปรียบเทียบกับมหานิกาย หนึ่งต่อสิบมครับอาจารย์ครับแล้วมีเหตุให้สีจีวนต่างกันไหมครับอันนี้มันเป็นธรรมเนียมของแต่ละวัดที่<ม>ครูบาอาจารย์ที่สร้างวัดขึ้นมาท่านไปศึกษาจากที่ไหนมาแล้วท่านก็ได้สีนี้มาจากที่ท่านได้ไปศึกษากับครูบาอาจารย์ของท่านมาท่านก็ใช้สีอย่างนี้นไปอย่างเราไปศึกษาอยู่กับหลวงตาท่านได้สีอย่างนี้มาแล้วเราก็เราก็ใส่สีตามที่ท่านใส่ไปซึ่ง มันไม่มีสมัยก่อนมันไม่มีคําว่าผ้ากาสาวาทที่เป็นสีอะไรก็บอกเป็นสีสีสีอะไรไม่ทราบสีเหลืองๆอะไรสีที่ได้มาจากการเออาการย้อมด้วยผ้าย้อมด้วยกันไม้เนี่ยสีฝาดเขาเรียกว่าเป็นสีฝาดก็เลยมีการค้นคว้าหลายคนบางคนก็ออกทางนี้ออกทางนั้นออก มมัันนนกก็เเลลลยยได้ีีะาาหสองคุณมาริสาครับจิตใจที่เศร้าหมองฟุ้งซ่านอย่างเช่นคนที่เป็นโรคจิตประเภทโรคซึมเศร้าถ้าไม่ได้รับการเยียวยาจะสามารถติดตามเราไปทุกภพทุกชาติได้ไหมครับได้เพราะมันเป็นเรื่องของจิตใจมไม่ใช่เรื่องของร่างกายมไม่ใช่เป็นโรคทางร่างกายคนที่จิตเศร้าหมองฟุ้งซ่านก็เป็นเพราะคนไม่มีสตินั่นเอง ปล่อยให้จิตใจคิดเรื่อยเปื่อยคิดแล้วก็เกิดอาการเศร้าซึมเศร้าหรือฟุ่งซ่านขึ้นมาแต่ถ้ามีโอกาสได้ฝึกได้สร้างถรางสร้างสาติขึ้นมาโรคซึมเศร้านั้นก็จะหายไปได้คุณอัชลาครับความสันโดษคือความสมถะไม่ยึดติดอะไรมากมายใช่หรือไม่ครับ ไม่ใช่ความสันโดษก็คือให้ยินดีตามมีตามเกิดได้อะไรก็ยินดีกับสิ่งที่ได้พอใจกับสิ่งที่มีคือไม่โลภนั่นเองไม่โลภไม่จู้จี้จุกจิกคุณครองสติครับในส่วนความคิดจรเราจะทราบอย่างไรว่าคือความคิดจรหรือมันแวบขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้เจตนาคิดครับ มันจะจรหรือไม่จรนี่ก็ไม่สําคัญสําคัญก็คือถ้าเราต้องการควบคุมความคิดก็เราก็อย่าปล่อยให้มันคิดเท่านี้คุณเพียนพิดครับนั่งสมาธิเดินจงกรมทุกวันรวมแล้วประมาณหนึ่งชั่วโมงสมาธินิ่งบ้างไม่นิ่งบ้างนี้จะได้ผลไหมครับก็นิ่งบ้างได้ไม่ก็ได้ผลแล้วไงก็นิ่งบ้างไม่ไม่นิ่งบ้างก็คือผลเนียที่ได้จากการปฏิบัติ แต่ยังไม่ได้ฌานยังไม่ยังไม่เข้าสู่สมาธิไม่ได้อัปปนาสมาธิหรือคณิกะสมาธิคุณมิวครับปฏิบัติมาเรื่อยๆแต่ไม่มีปิติหรือไม่มีการวิตกวิจารณ์ถือว่าปฏิบัติมาถูกทางไหมครับแต่แก้แต่แก้ความสงบขึ้นไม่ฟุ้งครับก็ไม่ทราบว่าปฏิบัติอย่างไรก็ไม่สามารถตอบได้ ตอ้เวลนั่งสมาธิมีสติกำกับใจอยู่ตลอดเวลาหรือไม่ถ้าไม่มีสติกำกับใจก็คิดก็ว่าไม่ถูกนะเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกการปฏิบัติที่ถูกสมาธินี้ต้องมีสติรู้อยู่กับลหมหายใจเข้าออกตั้งแต่เราเริ่มต้นนั่งไปจนกระทั่งเราเลิกนั่งเนี่ยหรืออยู่มีพุทโธบริกรรมพุทโธไปตลอดเวลาที่เรานั่งอย่างเนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติที่ถูก คุณลักยิ้มครับจิตกับวิญญาณคือสิ่งเดียวกันไหมครับคือวิญญาณเป็นคุณสมบัติและเป็นความสามารถของจิตคือคําว่าวิญญาณมันมีสองความหมายนะขออภยัยบุญบางทีเราใช้คําว่าวิญญาณแทนจิตอยเช่นเวลาคนตายเนี้จิตใจที่ไม่ได้มีร่างกายเราก็จะเปลี่ยนเป็นวิญญาณไปแต่เป็นตัวเดียวกันตัวจิตกับตัววิญญาณนี่ก็คือตัวเดียวกันคือตัวรู้ตัวคิดนี่เป็นตัวเดียวกัน เราเรียกชื่อต่างกันเวลาที่เรามีร่างกายเราก็เรียกผู้รู้ผู้คิดเนี่เป็นจิตเป็นใจแต่พอเวลาที่ร่างกายตายไปเราก็เรียกผู้รู้นี้ว่าเป็นโยงวิญญาณนี่คือความหมายหนึ่งของคําว่าวิญญาณส่วนคําว่าวิญญาณนี้ยังมีความหมายหนึ่งก็กคือเป็นวิญญาณในนามขันนามขันมีสี่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้คือความสามารถของจิต จ น, นอกจากเป็นผู้รู้เรายังสามารถมีความรู้สึกนึกคิดและสามารถเชื่อมใช้วิญญาณไปเชื่อมต่อกับร่างกายได้เพื่อรับรูปเสียงกลิ่นรสผละพะมาจากตาหูจมกูกเล่นกายได้อันนี้ก็เป็นวิญญาณอีกอย่างคนละเรื่องคนละคนละตัวกันคุณสมพรครับโยมถือศีลหกเป็นหลักคือนอนพื้น แต่ยังทานอาหารหลังเที่ยงวันมีการเสพสื่อจึงได้เพียงศีหกไม่ถึงศีแปดสีหกก็น่าจะดีกว่าสีห้าไปอีกขั้นยมเข้าใจถูกไหมครับก็ดีกว่าก็หกข้อมันดีกว่าห้าข้อทำข้อสอบได้หกข้อดีกว่าทั้ได้กว่าห้าข้อใช่ไหม ค, ครับคุณพีโกครับจิตที่ฝึกไม่ยึดรูปเวทนาสัญญาสังขารต้องเพียรฝึกนานมากแค่ไหนครับ นอนเช้ามันไม่ใช่เป็นตัวว่าแต่มันอยู่ที่ว่าเรามีเรามีสมาธิมีปัญญามากน้อยเพีงเยงไรถ้ามีสมาธิมีปัญญาที่สามารถล่ามลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้มันก็ละได้ซึ่งแต่ละคนนี้มันก็มีใช้เวลาต่างกันอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ในสติปัฏฐานสูตรว่าถ้าปฏิบัติตามสูตรนี้แล้วถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีจะต้องบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งอย่างแน่นอน คุณกิติศักดิ์ครับในช่วงเวลาจิตรวมแต่ไม่นานก็กลับไปคิดดึงกลับมาด้วยพุทโธแต่ไม่นานก็ออกไปอีกกลับไปกลับมามีอุบายอย่างไรให้สามารถก้าวหน้าได้ครับก็ต้องฝึกสติให้มากกว่าที่ไม่ใช่แต่เฉพาะช่วงที่เรามานั่งอย่างเดียวเราต้องฝึกสติทั้งวันเลยตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเราก็เริ่มพุทโธไปเลยอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เวลาที่เราทากิน จาว่าที่ไม่ไม่จำเป็นจะต้องใช้ความคิดขที่ย น, น้ําล้างหน้าแปรงฟันเราก็พูดโทพูดโธไปเรื่อยคอยควบคุมความคิดถ้าเราเพิ่มสติได้อย่างแบบนี้แล้วเวลานั่งมันก็จะนั่งนิ่งไดนานคุณ SK ครับสันโดดแต่ไม่โดดเดี่ยวได้ไหมครับมันคนละเรื่องกันไม่ไม่เกี่ยวกับการโดดเดี่ยวคําว่าสันโดดนี่มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องการพอ ยินดีกับสิ่งที่เราใช้ที่จำเป็นจะต้องมีบริโภคเช่นปัจจัยสี่โดดเดียวมันม่ถึงอยู่คนเดียวมันคนละเรื่องกันคุณสุพิญญาครับการไปปิดทองถ้าเราไม่ไปเป็นการไม่เคารพนับถือศาสนาพุทธไหมครับเพราะเพื่อนชอบถามไปปิดทองหรือยังพอออกบอกไม่ได้ไปก็จะโดนต่อว่าฟังแล้วจิตเราไม่สุขใจครับคือการปิดทองนี่มันก็เป็นวิธีหนึ่งของการ แสดงความอุปถัมภ์อุปถามพระพุทธศาสนาการติดเทาเนี่มันก็เกี่ยวกับเรื่องการสร้างพระอุโบสถทนนั่นเองมันขั้นตอนขั้นตอนหนึ่งก็คือเราสนับถ้าเราเป็นชาวพุทธเราต้องการให้เราสนับสนุนพระพุทธศาสนาเราก็ต้องสร้างวัดสร้างอะไรเพราะวัดเป็นที่ศึกษาเป็นที่ปฏิบัติธรรมของของชาวพุทธเรานั่นเองเั้นแต่ถ้าเราไม่ได้ไป ว่าเราไม่สะดวกหรือเราสะดวกที่จะทําบุญแบบอื่นก็ไม่ไม่ถือว่าเป็นการไม่ไม่เคารพแต่อย่างใดแต่เราอาจจะสนับสนุนพุทธศาสนาด้วยการใส่บาตรพระภิกษุที่มาบิณฑบาตก็ได้เพราะมันมีวิธีหลายวิธีในการสนับสนุนพระพุทธศาสนาคุณสมบัติบอกว่าอยากฟังธรรมแบบถึงใจครับแบบว่าฟังแล้วกิเลสหมอบไปเลยครับ เราฟังของหลวงตามาฮะบัวเลยเนี้ยไปเข้าไปที่เว็บไซต์ของท่านลงตา com แล้วก็มีธรรมะให้ฟังเยอะแยะไปหมดเลยธรรมะของหลวงตานี่ถือว่าเด็ดเดียวเด็ดวิเศษมาคุณสัจจาครับผู้หญิงที่หย่าแล้วอยู่คนเดียวพอใจแบบนี้ถือว่าสันโดษได้ไหมครับมันมันก็ไม่ทราบนะเพราะว่าเราไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ พูดแต่เรื่องเรื่องการบริโภคปัจจัยสี่เสียมากกว่าถ้าจะใช้คําว่าสันโดก็ก็ก็ก็ได้ว่าเราพอใจกับการอยู่สดเป็นสดของเราอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสันโดกได้แต่เราไม่ได้หมายถึงสันโดกในลักษณะนี้เราหมายถึงสันโดกในการบริโภคปัจจัยสี่คุณมาริษาครับทุกคนเกลียดความจนแต่ในทางธรรมยิ่งจนยิ่งมีความสุขอย่างผู้ ด, ดูลท่านพูด ขอความเมตตาพระอาจารย์ขยายความครับเพราะเพราะว่าท่านมีสันโดษเนี่ยท่านก็เลยไม่ต้องใช้เงินทองท่านเป็นมหาเศรษฐีที่แท้จริงมหาเศรษฐีที่แท้จริงก็คือใช้ใช้สันโดษแทนเงินทองไม่ต้องมีเงินทองคุณหนิงครับระหว่างวันจะท่องบทสวดมนต์หรือจเจริญสติรู้ตัวกินเดินนั่งนอนดีครับ ก็ทำได้ทั้งสองอย่างจะสวดมนต์ก็ได้จ ะ, จะเจริญสติให้เรารู้ว่าเรากาลังทาอะไรอยู่ในเอรียบททั้งสี่ก็ได้คุณไลโคพีนครับการได้ฌานขึ้นอยู่กับสติอย่างเดียวหรือครับมีปัจจัยอื่นอีกไหมครับอาจารย์ก็โดยหลักก็ต้องต้องมีสติเป็นตัวตัวหลัก่อย่างอื่นก็มีสถานที่ที่มันสงบสงัดวิเว้ ไม่มีอะไรมาลบกวนใจแล้วก็มีไม่ไม่ง่วงเหงาเหานอนไม่ไม่มีนิวรณอะไรต่างๆเร่อนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้เราเข้าฌานได้ถ้ามีการมาฉันทะยังอยากจะไปดืูอยากจะไปสูบบุหรี่อยากจะไปดูฟุตบอลหรืออะไรต่างๆมันก็จะทําให้ไม่สามารถไปนั่งสมาธิได้เข้าฌานได้งั้นก็ต้องต้องกําจัดนิวรณทั้งห้าถ้ามันเกิดขึ้นมา คามฉันทะความลังเลสงสัยว่าปฏิบัติแล้วจะได้ผลจริงหรือไม่อย่างนี้ก็ต้องกําจัดมันอความว่วงเหงาเหานอนอันนี้ก็ต้องลดการกินอาหารลงให้น้อยลงความฟุง้งซ่านอันนี้เกิดจากการไม่มีสติปล่อยให้ใจคิดเรื่อยไปก็ฟุ้งซ่านไปความโกรธก็ต้องระ ง, งับได้บางทีนึกถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นึกถึงคนที่ทําูดทำอะไรที่เราไม่พอใจก็เกิดความโกรธขึ้นมา อันนี้มันก็จะเป็นอุปรสรรคทําให้การเข้าฌานนียากเราก็ต้องต้องมีการกําจัดนิวรณ์ให้ได้ด้วยเวลาที่เรานั่งสมาธิคุณเล็กครับการไปอโหสิ ก, กรรมกับเจ้ากรรมในเวรชาตินี้สามารถแก้กรรมไม่ดีที่เราทาในอดีตชาติได้จริงไหมครับเรื่องกรรมนี่เราไปแก้ไม่ได้หรอก แต่เรื่องคนนี้เขามีปัญหากับเรานี่เราก็ไปเราก็ไปปรับความเข้าใจกับเขาได้ถ้าคนนี้เขาไม่พอใจเราก็าจะมาตามร้านแค้นเราอย่างเงี้ยเราก็ไปคุยกับเขาดูมาขออภัยยกโทษให้ได้ไหมถ้าเขายกโทษให้ได้มันก็มันก็หมดไปสําหรับสําหรับโทษที่เขาจะมาให้กับเราแต่ถ้าเขาไม่ยอมยกโทษให้เราก็ทํำอะไรไม่ได้ ที่เราไปชนท้ายรถเขาเสียหายเราบอกขอโทษได้ไหมเนี่ยไม่ไม่มีเงินจ่ายค่าไม่มีประกันไม่มีเงินจ่ายค่าซ่อมก็อยู่ที่เขาอ่ะเขาจะมีเมตตาหรือไม่มีเมตตาถ้าเขามีเมตตาเขาก็เอาโหเสียให้แต่ถ้าไม่มีเมตตาเขาก็เดี๋ยวต้องไปฟ้องศาลขึ้นศาลกันคุณมะลิครับคุณแม่ตรวจเจอมะเร็งเต้านมเครียดมากมีแนวทางธรรมะจะบอกท่านได้อย่างไรบ้างไหมครับ ก็อยู่ที่ท่านจะถามเราหรือเปล่าถ้าท่านไม่ถามเราไปบอกท่านมันก็มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรตอนบางทีท่านอาจจะไม่พอใจไปสอนแม่หรือซ้ําไปงั้อย่าอย่าไปสอนดีกว่าเนี่ยถ้าคุณแม่ถามทุกครั้มาถามอีกทีดีกว่าถ้าคุณแม่ถามว่าจะทํำยังไงดีเอก็บอกว่าทําใจให้สงบแยกใจออกจากร่างกาย ต้องยอมรับความไม่แน่นอนของร่างกายว่ามันเป็นธรรมดาต้องเกิดแต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมด า, าใจเราไม่ได้เป็นร่างกายเราไม่ต้องไปทุกข์ไปวุ่นวายไปกับร่างกายปล่อยให้ร่างกายเป็นไปตามสภาพของเขาทําใจของเราให้สงบนิ่งๆเฉยๆก็แนะนำได้เท่านี้แหละ้าจะแนะนาคุณจันทวันโนครับ ถามครับการที่อยากพูดทำอยากคุยแต่เรื่องทำเวลาเจอคนเป็นเพราะความฟุ้งของจิตเราขาดสติหรือเพราะรู้แล้วเมตตาเราจะสังเกตตัวเราได้อย่างไรว่าควรพูดไหมครับหรือว่าพูดโธพูดโธในใจไม่ต้องไปสนใจใครในใจอยากแต่พูดบอกเขาครับอาจารย์ขัความเมตตาครับอความอยากนี่ก็เป็นกิเลสแล้วอยากจะพูดนี่งั้นพูดได้แต่ต้องมีเหตุในผล ถ้าไม่มีเหตุไม่มีผลก็ให้ยทําใจให้สงบดีกว่าใครถ้าใครเขาถามอะไรเรารู้จักอริยสัจสี่ไหมเป็นยังไงเอาพูดไปเลยถึงเขาถามนะอย่าจะพูดธรรมะทุกสมุทัยนีโรุ่ดมากก็เล่าไปพุยไปแต่ถ้าเขาอยู่ดีๆเขาไม่มาถามแล้วอยู่ดีๆก็ไปเรียกเขาให้มันนี่มันนี่จะพูดเรื่องอริยสัจสี่ให้ฟังอันนี้ก็ไม่ถูกกาลเทศนะ คุณอู๊ตครับถ้าเราทำบุญโดยการให้ทานให้เงินแก่คนตกทุกข์ได้ยากแต่ไม่ได้ทำบุญถวายอาหารแก่พระสงฆ์บุญที่ได้แตกต่างกันไหมครับและถ้าเราตายไปจะมีอาหารทานไหมครับไม่แตกต่างกันหรอกบุญที่เกิดจากการให้นี้ไม่ว่าจะใครเป็นผู้รับก็ได้บุญเท่ากันคุณแคทครับถ้าเราทำเจตนาเจเจจำนงต่อแพทย์ว่าไม่ให้ไม่ให้ไป ว่าให้ไปแบบสบายๆหลับสบายไม่ต้องทรมานและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจะมีผลทำให้เราขาดสติไหมครับเพราะเราไม่รู้ตัวครับคือถ้าเรานอนหลับไปมันก็ไม่มีสติแต่ถ้าในขณะที่เรายังไม่นอนหลับเราก็มีสติเราก็จะรู้ว่าร่างกายเราเป็นอะไรเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ถ้าเราใช้ยายามันก็จะระงับความเจ็บปวดให้กับเรา ก็เลยไม่ทราบว่าถามถามนี่ถามถามถามพอ อ, อยากต้องการทราบอะไรคุณเขมจิลาครับมักน้อยสันโดษยินดีเท่าที่มีแม้ว่าจะสามารถทำให้มีเพิ่มขึ้นได้เช่นเพื่อนๆมี Ipad ใช้เรียนหนังสือกันแต่เรามีแค่โทรศัพท์ถือว่าเรามีความสันโดษไหมครับถ้าเราไม่มีความจำเป็นจะต้องมี Ipad ดเรก็ไม่าพอใจกับ โทรศัพท์มือถือที่เรามีอยู่ก็ก็ใช้ได้ก็ถือว่าเป็นสันโดดแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อาการเรียนเราก็ต้องมีอ น, นี้ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องมันไม่กี่ยาถ้าไม่มีแล้วทําให้การเรียนเราเสียหายบกพร่องอันนี้เราก็ต้องมีตามเขาไปถ้าเป็นเหมือนกันถ้าไม่มีหนังสือถ้าไม่มีกระดาษไม่มีดินสอเราจะทําการบ้านได้ปะมันก็ต้องมีเขาบางอย่างมันจําเป็นจะต้องมีก็ต้องมี แต่มีเท่าที่จําเป็นเรียกว่าสันโดษหรือว่าถ้าไม่มีไม่มีมันก็ไม่ได้ลนะ่ะเพราะว่าถ้าเราจะเรียนหนังสือมันก็ต้องมีก็ต้องหามาให้ได้หรือว่าถ้าเราสันโดษก็ไม่มีเราก็ไม่เรียนอย่างนี้ก็ก็อีกเรื่องหนึ่งก็ได้ครับจากผู้ไม่ประสงคออกนามครับบอกว่าคนที่ผิดศีลข้อสามจะได้รับผลกรรมอย่างไรครับก็ตาเมนะ ส่วนใหญ่มักจะไปเป็นสัตว์ในราชฉานมั้งเพราะสัตว์ในราชฉานมันก็มาเพื่ผิดกาเมใช่ไหมมันไม่มีสามีไม่มีภรรยามันไม่เป็นคู่ครองประจําันีล้แต่ว่ามันเจอใครที่ไหนเมื่อไหร่มันเกิดอารมณ์เมื่อไหร่มันก็มันก็เริ่มเสดกรรมกันมันก็เป็นนิสัยของของสัตว์ในราชฉานคุณมาลีครับอยากนั่งสมาธิเองโดยไม่มีหลักหรือมีใครสอนจะเริ่มต้นอย่างไรครับ ไม่มีใครสอนแล้วจะเริ่มต้นได้อย่างไรนะมันก็ต้องมีคนสอนอยู่ิจะทําอะไรที่เราไม่รู้เราก็ต้องมีคนสอนก่อนจะทํากับข้าวนี่ถ้าเราไม่มีคนสอนเราจะทําเองได้หรือเปล่าทําได้แต่มันจะได้กับข้าวตามที่เขากินกันหรือเปล่าทำที่เขาทากันหรือเปล่างั้นไม่ว่าจะทําอะไรมันต้องมีคนสอนทอั้งนั้นนะรนอกจากหมายความว่าเราศึกษาเองได้ไหมได้แล้วก็ไปหาหนังสือมาอ่านได้ แล้วมาฟังเทศมาฟังการสนทนาธรรมของเราไปแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บข้อมูลไปในส่วนที่เราอยากจะรู้พอเราได้คำตอบที่ในสิ่งที่เราอยากจะรู้เราก็นำมอนไปปฏิบัติคุณอีฟครับวิปัสสนาญาณจะเกิดขึ้นได้อย่างไรครับก็โดยการศึกษาก็เหมือนกับการศึกษาสิ่งต่างๆเราอยากจะรู้ว่า สินค้านี้สินค้านี้ประกอบด้วยอะไรเราก็เราไปศึกษาดูว่าส่วนประกอบของสินค้านี้มีอะไรบ้างพอรู้แล้วก็สินค้านี้มีสิ่งนั้นสิ่งนี้มีคนมีประโยชน์ไม่โทษหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็คือวิปัสสนาใหญ่วิปัสสนาใหญ่ของเ ร, เราต้องการเห็นอริยสัจสี่เห็นไตรลักเห็นว่าทุกของเราเกิดจากความอยากของเราการที่จะทําให้ทุกหายไปเราต้องละความอยากหยุดความอยาก ในการจะอยุดความอยากได้เราก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญาอันนี้ก็คือวิปัสสนาญาณคุณสันนี่ครับระหว่างเราดูหนังดูซีรีส์เราจะไม่มีสติใช่ไหมครับมบนะ<น>ีแต่ถ้ามีสติก็หลับเท่านั้นนะเพียงแต่มันมีสติแบบที่มันไม่ไ ม, ไม่มันไม่หยุดคิดมันคิดตามไปด้วยมันเพ้อเพลินไปด้วยดีใจเสียใจไปกับภาพยนตร์ที่เราดูไปด้วย คุณไลโคพีนครับคําบริกา ร, รเปลี่ยนใหม่ทุกอาทิตย์ก็ได้ก็ได้ไม่ใช่ไหมครับอาจารย์ก็ลองทําดูสิถ้าชอบแบบไหนก็เปลี่ยนไปแต่มันไม่ได้อยู่ที่คําบริกรรมมันอยู่ที่สติถ้าไม่มีสติไม่ว่าจะใช้คําบริกรรมอันไหนมันก็เหมือนกันะไม่ได้ผลเหมือนกันคุณสุภัตราครับ เขากราดหาพระอาจารย์ทุกวันนี้เห็นสุนัขจรจัดก็พยายามเอาไปทํำหมันเจตนาเพื่อไม่ให้มีสุนัขจรจัดเพิ่มขึ้นแต่ว่าพ่อกับแม่บอกว่าจะไม่มีลูกเพราะทําหมันหมาแมวเยอะจริงหรือไม่ครับตอนนี้ยังไม่มีลูกครับทําลงไปด้วยความเมตตาแบบนี้จะดีหรือไม่ครับไม่เกี่ยวกันเนาะมันก็อย่างนี้หมอที่ทําหมันก็ไม่มีลูกกันทั้ ง, งหมดเลยคุณออสครับ พิจารณาอาณาปานาสติกายคตาสติสติปฐานสี่ระลึกถึงพระผู้มีพระภาคอยู่เป็นนิดได้อนิสงส์บุญเยอะหรือไม่ครับก็คุณพิจารณาอย่างไงคุณพูดมาคุณไม่รู้เลยว่าแต่ละอย่างนี้เขาให้ทํำยังไงกันอาณาปานาสติก็คือการนั่งสมาธิด้วยการดู่ลมหายใจเข้าออกไม่ใช่พิจารณาพิจารณาก็เป็นการศึกษาเฉยๆไม่ได้เยอะไม่ได้ไม่ได้อะไรมากหรอก มันต้องทําให้มันถูกแนวทางของการปฏิบัติตอนต้นก็ศึกษาก่อนว่าอานาปนาสติทําอย่างไรเมรื่อรูแล้วเราก็ต้องไปนั่งสมาธินั่งดูลมหายใจเข้าออกแล้วเราถึงจะได้อนิสงส์ได้บุญเยอะจ้ะพอจิตสงบเราก็จะได้บุญเยอะไม่ใช่เพียงแต่มานั่งคิดถึงอานาปนาสติจําชื่อของอนาปนาสติแล้วจะได้บุญมันไม่ได้บุญหรอก คุณสมพรครับบอกว่าเมื่อเช้าขณะใส่บาปประจําวันอะไรต่ออะไรเสร็จขณะขับขี่มอเตอร์ไซค์จิตว่วาบคิดขึ้นมาว่าแต่ก่อนยุคดึกดําบรรมนุษย์ก็ไม่ได้ใช้เสื้อผ้าสวมใส่จนผ่านมาเนิ่นนานตามวิวัฒนาการมนุษย์ก็เริ่มใช้เสื้อผ้าปกปิดร่างกายพอจิตรู้ในขณะที่มีปัญญาเกิดแบบงูและลิ้นเสมอเห็นความแปลกปลอมแต่ไม่ได้ตึงเครียดกับความคิดที่ได้เห็นที่มนุษย์ต่างก็สวมเสื้อผ้าให้ตัวเองกันหลากหลายแล้ว เลยเห็นไปถึงเสมือนแต่คนจับลิงมาใส่เสื้อผ้ามนุษย์จับลิงมาแต่งตัวอนุมาณเชกเช่นที่มนุษย์ได้จับตัวเองใส่เสื้อผ้าเห็นไปครับก็ไม่ทราบว่าจะพูดยังไงก็ไม่ได้ถามอะไรเพียงแต่เล่าให้ฟังขอรับขอรับฟังไว้ก็แล้วกันคุณนัดวไลพันธ์ครับที่ว่าสวรรค์มีเจ็ดชั้นนรกมีสี่ขุม เวลาตายแล้วจิตของเราจะไปอยู่ที่สวรรค์หรือนรกเป็นในลักษณะของความฝันใช่หรือเปล่าคะและผู้ที่ไม่บรรลุกลับมาเกิดแล้วจิตอยู่ที่ใดครับจิตก็อยู่ที่เดิมอยู่ในโลกเทพิจิตไม่มีรูปร่างหน้าตาลยไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีสถานที่จิตเป็นอยู่ในที่ที่มันอยู่ของมันมันไม่มีที่อยู่จิตไม่มีที่เพราะมันไม่มีรูปร่างเหมือนร่างกายที่ยังเป็นจะต้องมีที่ เราก็เรียกเขาอยู่ในโลกที่นี้จะอยู่ในแบบไหนอยู่แบบเวียนไว่ายตายเกิดแล้วอยู่แบบไม่เวียนไว่ายตายเกิดเท่านั้นเองถ้าเวียนไว่ายตายเกิดจิตก็ส่งกระแสจิตมาเกาะเกาะร่างกายเวลามีมีการก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาในครันก็มาเกาะแล้วก็ทําให้เกิดการปฏิสนธิทําให้จิตไปติดอยู่กับร่างกายแล้วก็คิดว่าตัวเองเป็นร่างกายเวลาเกิดมาก็เลยก็เลยก็เลย เหมือนกับว่าตอนเองเป็นร่างกายไปแต่จิตก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่เพียงแต่จิตส่งกระแสวิญญาณมาเกาะท่านเองเวลาที่ไม่เกิดก็ไม่ได้ส่งกระแสวิญญาณมาเกาะท่าแต่ก็จิตก็อยู่ที่เดิมมันเขาใช้คาว่าที่ไม่ได้เพราะมันไม่มีมันไม่มีรูปร่างหน้าตามันไม่มีตัวตนที่จะไปไ ป, ไ ป, ไ, ปไปว่ามันอยู่ตรงไหนได้ คุณอำพรครับถ้าเรากเกษียณอายุงานก่อนกำหนดอย่างนี้ถือว่าสันโดษไหมครับอาจจะว่ามากน้อยจะดีกว่าไม่ต้องการเงินเงินเดือนอีกแล้วได้แค่นี้พอแล้วคุณมณนนี ม, ม, ม, มยพทัทครับถ้าเราทำงานในองค์กรที่ผู้นำใช้อนานาจแต่ขาดปัญญาเราผู้ใต้บังคับบัญชาควรปฏิบัติตนอย่างไรเจ้าค้าให้เราทำงานได้อย่างมีความสุขในงานครับ ก็ทําทําตามหน้าที่ของเราไปเนี่ยมันมีหน้าที่อะไรเราก็ทําไปส่วนเขาจะจะทำอะไรก็เรื่องของเขาไปไม่เกี่ยวกับเราคุณอ n g u y เปรี้ยวครับคําว่ารู้ทำกับบรรู้ทมคล้ายหรือต่างกันอย่างไรครับก็อันเดียวกันนั่นแหละคุณแดงครับวางใจอย่างไรครับเมื่อจิตตกเศร้าหมองเครียดครับก็ ทำให้สงบทําใจให้สงบใช้พุโทโธพุโทโธไปท่องพุโทโธพุโทโธไปสวดมนต์ไปคุณซีครับการพิจารณาเวทนาสามารถทําได้ในตอนฝึกนั่งสมาธิไหมครับหรือต้องแยกว่าช่วงนี้ฝึกเพื่อเอาสมาธิช่วงนี้ฝึกเพื่อพิจารณาเวทนาขอพระอาจารย์ชี้แนะครับต้องแยกกันทําพร้อมกันไม่ได้เหมือนกับทํางานกับ น, นอนละพักผ่อนหลับนอนนี่มันทําพร้อมกันไม่ได้ การเจริญปัญญานี่เป็นการทํางานของจิตการเข้าสมาธินี้เป็นการพักผ่อนของจิตกนต้องแยกเป็นสองสองส่วนด้วยกันเมื่อเราทํางานตอนที่เราทํางานเราก็ไม่นอนใช่ไหมเราไม่พักผ่อนหลับนอนตอนที่เราพักกลับมาบ้านพักผ่อนหลับนอนเราก็ไม่ทํางานคุณรับครับเวลานั่งสมาธิทําไมมีอาการยากอยากไอมากครับทําไม่นั่งไม่เป็นไรครับ <ic> <ส>ก็เป็นกิเลสก็แล้วกันถ้าถ้าเกิดขึ้นเฉพาะเวลาที่เรานั่งสมาธิเป็นการมาฉันทะก็ได้คุณเข่นจิลาครับ <omes> <ห><ว spaghetti>ทุกครั้งเวลาฝึกภาวนาระลึกพุทโธในใจเหมือนพูดกับตัวเองไปด้วยพุทโธไปก็มีเสียงพูดแทรกในหูตลอดจะบังคับให้สงบอย่างไรครับอย่าไปสนใจกับเสียงในหูให้สนใจอยู่คาบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่างเดียว ใหม่ๆมันก็อาจจะเกิดอาการต่างๆเหล่านี้เข้ามาแทรกได้เพราะเรายัางไม่มีสติที่เข้มข้นพอแต่ถ้าเราจดจ่ออยู่กับพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆต่อไปจิตเราจะเข้มข้นมากขึ้นสติเราจะเข้มข้นมากขึ้นแล้วอาการต่างๆมันก็จะมันก็จะจางหายไปเองไม่ต้องไปสนใจถ้ามันเกิดแล้วก็บังคับมันไม่ได้ไวให้เกิดไปแต่ยังไปสนใจมันก็แล้วกันคุณเที่ยวไปเรื่อยครับ อะไรคือสิ่งที่สําคัญที่สุดต้องทําในฐานะมนุษย์คือการปฏิบัติเพื่อพุทธิพานใช่ไหมครับใช่การหยุดการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด <c oughs> คุณพฤติพรน์ครับหลังจากที่ได้อ่านหนังสือกายคตาสติแล้วก็เห็นว่าร่างกายของเราล้วนแต่สกปรกเน่าเหม็นแบบนี้ถือเป็นปัญญาหรือเปล่าครับก็อยู่ว่าเราเอาไปละ ละกลามาลาคดได้หรือเปล่ปาเวลาเกิดการมาลมขึ้นมาถ้าละได้ก็เป็นปัญญาถ้ายังละไม่ได้ก็ก็ถือว่าเป็นสัญญาเกลื่อนไปตอนที่เกิดถึงเวลาจะใช้มันมันไม่โผล่ขึ้นมาไม่เอามาใช้คุณอมพรครับทําบุญใส่บาตรพระสงฆ์กับบริจาคข้าวสารอาหารแห้งเข้าโรงครัวเพื่อทําอาหารให้กับผู้ปฏิบัติธรรมอย่างไหนได้บุญมากกว่ากันครับได้เท่ากันเนี่ย <c oughs> คุณลิลลี่ครับโดนแม่สามีกลั่นแกล้งแต่ตอนนี้ให้อภัยแล้วแต่ยังลืมอดีตไม่ได้ยังคิดน้อยใจทำอย่างไรให้ความน้อยใจนี้หายไปได้ครับก็พูดโธพุดโธไปเวลาแกิความน้อยใจก็ท่องพูดโธพุดโทไปคุณสุ ก, กี้ครับหากนั่งสมาธิจ น, จนจิตสงบมากไม่ได้ยินเสียงรอบตัวหาตัวตนไม่เจอเห็นแต่จิตอย่างเดียวที่รับรู้ได้ สภาวะอย่างนี้เรียกว่าอะไรครับแล้วเราควรทำอย่างไรต่อครับเมื่อทราบว่าเห็นแต่จิตนี้เห็นอะไรที่ว่าเห็นแต่จิตอย่างเดียวนี้คือถ้าถ้านาั่งแล้วไม่มีความคิดปรุงแต่ ง, งนี่เราก็เรียกว่าสมาธิจิตสงบก็ไม่ต้องทําอะไรก็พยายามรักษาความสงบไม่อยากปล่อยให้ใจคิดไปนา น, น, านที่สุดเท่าที่จะนานได้จนกว่าจิตจะเริ่มคิดแล้วอยากจะลุกขึ้นมานี้เรา ถ้าเรายัางสามารถทำให้จิตหยุดหยุดคิดหยุดเลิกหยุดเลิกได้เราก็ทำต่อไปนั่งสมาธินิ่งได้นานๆถ้าหลังยิ่งดีคุณเข็มจีราครับสันโดษหมายความรวมถึงไม่ค่อยคบใครไม่สูงสิงกับใครด้วยไหมครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันเรื่องของการบริโภคปัจจัยสี่เป็นหลักมากกว่าคุณไลโคพีนครับ พระอาจารย์พูดเรื่อง อ, อบายภูมิสี่ให้ฟังได้ไหมครับคนเราไปอบายภูมิ ง, ง่ายกว่าไปสวรรค์หรือพรหมโลกเลยครับ <S <S ใช่การทําบาปมันง่ายกว่าเนี่ยง่ายกว่าการทําทําทําสมาธิการทําบาปนี่พอพ อ, อยูมาเกาะปั๊บก็ตกมันปุ๊บเลยมันมันง่ายเพราะมันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นลิสัยของปุถุชนส่วนใหญ่ที่ถูกฝึกมาให้ทําบาปมากันอยู่ตลอดเวลา ถึเวลาที่จะไม่ทแบบถึ ง, ง, าาถ ง, งถจะรู้สึกว่ายากเวลานั่งสมาธินี่มันจะรู้สึกว่ายากกว่าคุณสมบูรณ์ครับการใช้มราณานุสติบ่อยๆเพื่อเตือนตัวเองถือว่าเป็นการแช่งตัวเองไหมครับไม่หรอกก็เป็นการสอนใจสอนความจริงเป็นปัญญา <c oughs> คุณอัมพรครับ คนขับรถบรรทุกหมูเพื่อไปเข้าโรงฆ่าคนขับรถจะมีบาปในเรื่องใดบ้างครับก็ในในในก็เป็นส่วนส่วนส่วนร่วมในการทําให้หมูเหล่านั้นตายไปถ้าขับรถบรรทุกหมูแล้วไปปล่อยในป่าอย่างนี้มันก็หมูมันก็ได้สาภาพมันก็ไม่ตายก็อยู่ที่คนขับว่าจะเอาเอาบุญหรือเอาบาปถ้าเอาบุญก็ขับรถหมูไปทันที่จะเข้าโรงฆ่าก็ไปเข้าป่าไปปล่อย คุณฟิลิชัยครับจิตที่ออกจากร่างกายแล้วจิตดวงนี้ยังพิจารณาธรรมของพระพุทธเจ้าได้อีกหรือไม่ครับได้ถ้าถ้าถ้าถ้าเคยคิดพิจารณาถ้าเป็นพระโสดาบันขึ้นไปแล้วมันก็จะคิดอยู่เรื่อยๆคุณก้าวสองแปดเจ็ดครับใส่บาตหรือทำบุญใดๆแต่ไม่ได้กรวดน้ำจะได้บุญไหมครับและคนที่เราจะอุทิศบุญให้เขาจะได้รับบุญหรือไม่ครับหากไม่ได้กรวดน้าครับ คือการกวดน้ํานี่เป็นการอุทิศบุญเราทำบุญนี้เราได้บุญแล้วแจวกวดหรือไม่กวดนี่เราได้บุญและจากการทําบุญของเราในการที่จะอุทิศบุญนี้เราต้องอุทิศถึงคนที่ล่วงรับไปแล้วถึงจะรับได้การอุทิศนี้ไม่จําเป็นจะต้องใช้น้ําก็ได้เขาเรียก mm hmm. กวดแห้งก็คือให้เราเลิกอยู่ในใจของเราเพ่งอย่างเดียวก็พอว่าขออุทิศส่วนบุญนี้ให้กับท่านผู้นั้นผู้นี้ ที่ลงรับไปแล้วก็ถือว่าได้กวดงามแล้วได้อุทิศบุญแล้วคุณแม็กซ์มิเลียนครับระหว่างที่เกิดวิตกวิจาร์กับคิดฟุง้งซ่านอยากทราบว่าการแยกระหว่างสองอย่างนี้อย่างไรครับขอพระอาจารย์เมตตาครับถ้าวิตกวิจาร์ก็ก็จะวิโตควิจาร์อยู่กับเรื่องเดียวไงเช่นเอาบริการพุทโธพุทโธนี้ก็แสดงว่าเรากําลังวิตกวิจาร์อยู่กับพุทโธอย่างเดียวนี่ไม่ใช่ไป็นการฟุงร้งซ่าน หรือวิตกวิจัยกับลมหายใจเข้าออกอันนี้ก็าเรียกวิจวิจัยคุณใบหยกครับสำหรับลูกสันโดษคือจิตใจไม่ได้อยากได้จนกิเลสเกิดปกติธรรมดาลูกใช้ชีวิตคนเดียวพี่น้องพ่อแม่อยู่คนละอาเภอคนนอกถามคํถาถามแรกคือเหงาไหมลูกเป็นปกติเจ้าค่ะลูกมองเห็นแต่ความไม่แน่นอนของสิ่งต่างๆครับคุณมีนาครับ อยากสอบถามพอดีสงสัยว่าการที่พระใช้ไลน์ในการติดต่อคุยกับผู้หญิงส่วนตัวในเรื่องที่ไม่ใช่ธรรมะได้ไหมครับพอดีทราบมาว่าบางคนที่เพื่อนหรือสามีบวชอยู่ก็ยังถามไถ่คุยกันทางไลน์สองคนเลยไม่แน่ใจว่าทําได้หรือไม่ครับก็มันเป็นเทคโนโลยีใหม่มันก็เลยไม่มีข้อห้ามโดยตรงว่าห้ามใช้ไลน์กับศีกาอะไรทำงอนนี้ นั่นแต่มีพระวินัยข้อเก่าอยู่ว่าพระไม่ควรจะอยู่สองต่อสองกับสีกาคุยกันสองต่อสองในที่รับที่รับหูรับตาถ้าจะคุยจะต้องมีผู้ชายมานั่งเป็นเพื่อนเป็นักขีพยานด้วย <c oughs> แต่สมัยนี้เรามีการติดต่อกันทางโทรศัพท์บ้างทางอะไรบ้างจากนกระั่งมันก็ถือว่าเป็นปกติไป ข้อสำคัญก็คืออยากคุยกันเพื่อให้เกิดยุยมในเรื่องของการเกิดการอารมณ์ก็แล้วกันถ้าคุยด้วยธุระปะปังติดตอนเรื่องการงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางธรรมะและทางโลกอันนี้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นความเสียหายคุณปุ้ยครับคนที่กินเนื้อสัตว์บาปไหมครับไม่บาปหรอกคนที่ฆ่าสาตัตว์มันบาปแต่คนที่กินเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วไม่บาปถ้าตนเองไม่ได้เปนคนฆ่าด้วย คุณสิริชัยครับผู้ป่วยที่รักษาไม่หายเมื่อกำลังจะตายพิจารณาธรรมและทาสมาธิเพื่อความสงบดวงจิตที่ออกจากร่างยังคงไปตามอำนาจบุญบาปที่ได้มีไว้ในใจใช่ไหมครับใช่อาจจะได้เพิ่มบุญ ใ, ในขณะที่เรานั่งสมาธิก็ได้คุณอีฟครับทำไมคนที่มีสมาธิดีถึงสามารถเรียนรู้ได้ดีกว่าคนที่ไม่มีสมาธิครับ ก็จิตสามารถรับรู้เรื่องที่ที่เรียนได้มากกว่านั่นเองเมื่อครูพูดอะไรก็ฟังได้ยินได้ฟังคําพูดของครูทุกคําพูดแต่คนที่ไม่มีสมาธินี่นั่งฟังไปแต่ใจก็ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เลยไม่ได้ฟังมันก็ไม่ได้ฟังเลยไม่ได้รับความรู้เท่าที่ควรจะได้เป็นคนที่มีสมาธิจะได้รับได้รับความรู้มากกว่าคนที่ไม่มีสมาธิเพราะว่าทําข้อสอบก็จะตอบข้อสอบได้ดีกว่า ค ม, มควารูุ้ณสมพรครับการทําบุญทําทานไม่ว่ากับครากับเพื่อนมนุษย์ด้วยการหรือแม้แต่กับสัตว์การปล่อยปลาต่างๆล้วนเริ่มจากการเพียรพยายามกําจัดความตรรดีถี่เหนียวของเราออกไปอย่างนี้จึงจัดถือว่าเป็นการทําบุญเร า, าคือการทําบุญคือการสละเงินทองโยมเข้าใจเช่นนี้ถูกต้องหรือไม่ครับมันก็เป็นส่วนร่วมกันเนี่ยคือการที่เราจะทําบุญได้เราก็ต้องเราก็ต้อง ชนะความตันหนีของเราถ้าเราชนะความตันหนีไม่ได้หัวงมันเราก็ไม่ไม่ทําที่กลับหาเรื่องแก้ตัวไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเสียดายเงินก็เลยไ ม, ไม่ไม่ได้ทําคุณศัสิครับความรอบรู้ในกองสังขารหมายความว่าอย่างไรครับก็เรื่อว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดามันไม่มีตัวตนมันไม่ใี่ตัวเราของเรา มันมันไม่ช่วยไม่งามมีอาการซานเซสองเนี่ยคือการรอบรูในกองสังขารของคือร่างกายคุณเก้าสองแปดเจ็ดครับเวลาล้างหม้อข้าวจะนําเศษข้าวที่ติดหม้อข้าวนั้นไปโปรยลงพื้นเพื่อให้เป็นอาหารแกน่นกถือเป็นการทําทา น, ท น, average, น, นได้ไหมครับได้แต่ทาน้อยมากามีแค่เศษข้าวที่ติดอยู่ยแต่ก็ถือว่าทําเหมือนกันทานมีมากมีน้อย ผลงุงทานก็เลยเป็นสวรรค์ชั้นต่างๆทำทานน้อยก็ได้สวรรค์ชั้นต่ำทำทานมากก็ได้สวรรค์ชั้นสูงได้ความสุขมากมากน้อยต่างกันไปคุณณทัศภักครับอาการปิติต่างๆถือเป็นโทษต่อาการนั่งสมาธิตรงนี้ผมขอสอบถามว่าจะมีวิธีเช่นใดให้อาการปิติลดลงแล้วไม่มีเลยเพื่อให้การปฏิบัติการนั่งสมาธิถูกต้องเพื่อการเข้าสู่อุเบกขาครับ เไม่ไม่เป็นโทษอนะ่ะการปิตินี่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของการนั่งสมาธิเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้ไปถึงขั้นที่มันสงบเต็มที่เท่านั้นเองถ้าถึงขั้นสงบเต็มที่ปิติมันก็จะหายไปเองก็เลอยอยู่แต่อุเบกขาเนี่มัน้องไปไม่ต้องไปสนใจไปละหรือไปกําจัดมันเรามีหน้าที่ดูลมก็ดูลมไปมีหน้าที่พูดโธก็พูดโธไปเท่านั้นเองส่วนอาการที่เกิดตามมานี่มันก็เป็นเรื่องของของผล เราไปทำอะไรไม่ได้เราไม่ต้องไปสนใจคุณฟรเอ็กซ์ครับพัสพระฉันกาแฟได้ไหมครับได้กาแฟเธอว่าเป็นโอสถปัญญาอย่างหนึ่งไงชาต่อแฟนี่เือว่าเป็นโอสถโกโก้ชงโกโก้นะโกโก้นี่สมัยก่อนคนป่วยเขาบ่อจะชงโกโก้ให้กินใช่ไหมโกโก้ตอนอยพยาบาลก็เห็นไหมเคยครับผมยังทำครับ เปัญญารักษาโรกอย่างคุณศิริชัยครับกุศลที่ได้สร้างในปัจจุบันสามารถทําให้บาปตามไม่ทันได้หรือไม่แล้วหากละสังโยตสามขึ้นไปแล้วบาปนี้จะยังให้ผลอยู่หรือไม่ครับมันก็ยังถ้ายังมีชีวิตอยู่มันก็ยังให้ผลได้อยู่แต่ถ้าไม่กลับมาเกิดอีกล้วมันก็มันก็ให้ผลไม่ได้แล้วยังองค์ุลิมาเนี่ยพอ ตายไปไปถึงนิพพานแล้ว ก, ก, ลลก็ไม่กลับมาเกิดอีกแล้วเพราะฉะนั้นบาปทั้งหลายที่องคุลิมานท า, าททไว้ก็ไม่สามารถส่งผลให้กับองคุลิมานได้อีกต่อไป <c oughs> คุณอมรอพันธ์ครับครั้งหนึ่งที่สวดพระกันไตรปิฎกแล้วน้ำตาไหลเกิดจากโรคอะไรครับทุกวันนี้ก็ยังสวดอยู่ครับก็เกิด <c oughs> จากการสวดนี่ถ้าไม่สวดมันก็ไม่ไม่ได้หลังน้ำตาไม่ไหลไม่ใช่เหรอ จะใไม่ได้ทราบจะให้ตอไมมันเหตุกับผลมันก็ตรงกันอยู่แล้วคุณพิมพ์ลดาครับถ้าเราสวดมนต์เปิดบทสวดแล้วสวดตามนอนสวดแล้วหลับไปอย่างนี้บาปไหมครับไม่บาปแต่ไม่ได้บุญไม่ได้ความสมงบไม่ได้สมาธิไม่ได้สติคุณบุญชูครับ เวลานั่งสมาธิแล้วจิตวูบเหมือนในอากาศใช่ฌานสี่ไหมครับ อ, อ๋อมันต้องวูบแล้วนิ่งสงบสักแต่ว่ารู้ร่างกายหายไปจากการรับรู้เหลือแต่จิตอยู่ตามลำพังถึงจะเป็นฌานสีมีอุเบกขามีความสุขที่เกิดจากความสงบคุณนงรักษ์ครับ ในการปฏิบัติธรรมศรึกษาจากหลายอาจารย์เริ่มสับสนในใจว่าควรจะศึกษาจากหลายอาจารย์หรือเลือกอาจารย์ท่านใดท่านหนึ่งครับก <mint> ็ควรจะศึกษาจากพระพุทธเจ้าเป็นอันด์ราชก่อนควรจะไปศึกษ า, าอ่านพระสูตรที่ท่านสอนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติธรรมก็คือสติปัฏฐานสี่หรือเอ่อรเอ่อมุขลคสาสิบปดเราต้องศึกษาจากต้นฉบับก่อน แล้วต่อไปเวลาเราไปศึกษากัอาจารย์ต่างๆก็ดูว่าท่านสอนตามที่ผู้เจ้าสอนหรือไม่คุณพัฒนานครับจะเริ่มพิจารณาแยกกายกับจิตออกจากกันจะต้องทําอย่างไรครับก็เบื้องต้นก็พิจารณาว่าจิตก็เป็นผู้รู้ผู้คิดน่างกายก็เป็นเป็นดินน้ำลมไฟเป็นอาการสามสิบสองที่ทําอะไรตามคําสั่งของผู้ผู้รู้ผู้คิด เวลาเกิดอะไรกับร่างกายผู้รู้ผู้คิดก็ไม่ได้เป็นผู้ที่จะไปผู้รับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าร่างกายไปเจ็บไข้ได้ป่วยผู้รู้ผู้คิดก็ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยกับร่างกายแล้วก็ต้องเข้าใจแยกแยะว่าผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่มีรูปร่างหน้าตาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเป็นเพียงแต่ผู้สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆนานาเท่านั้นเองเป็นผู้รู้ผู้คิดหนึ่งไม่ต้องคนจะตกใจไปกับการเป็นไปของร่างกาย ร่างกายจะเจ็บจะตายมันก็เป็นเรื่องของร่างกายไม่ใช่เรื่องของของจิตใจให้คิดอย่างนี้จิตใจไม่ต้องตื่นเต้นตกใจไม่ต้องเสียใจไม่ต้องไปกลัวอันนี้คือการแยกด้วยปัญญ า, ถ, าถ้าแยกได้นะแต่มันคิดได้แต่มัน พ, พอถึงเวลาเกิดเหตุการณ์จริงๆขึ้นมามันอาจจะยังแยกไม่ได้เพราะไม่มีกําลังแยกนั่นต้องฝึกสมาธิให้เกิดกําลังขึ้นมาก่อน ถ้ามีสมาธิแล้วจะมีกําลังแยกกายออกจากจิตได้เวลาใช้ปัญญาก็สามารถแยกตามที่ปัญญาสอนได้อาจารยุณสมพรครับการรู้ธรรมะกับการปฏิบัติธรรมะมีความเหมือนมีความแตกต่างกันอย่างไรครับก็รู้ธรรมะก็รู้ถ้าศึกษากเราก็จะรู้ธรรมะรู้อริยสัจสี่รู้ 4, รมรรคแปดแต่ความรู้ที่เรารู้จากการศึกษานี้มันยังไม่สามารถนํำมาไป ทำให้เป็นจริงได้ถ้าไม่นำเอาไปปฏิบัติไม่สามารถทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ต้องนำเอาความรู้ที่เราได้เรียนรู้ไปปฏิบัติเพื่อที่เราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เพื่อที่เราจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้คุณนพพรครับการดูจิตกับการดูความคิดเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าครับยังเป็นเรื่องเดียวกันก็ได้แล้วแต่คนที่เขาพูดเขามาควา ม, มายอย่างไร ดูจิก็ดูความคิดก็ได้ดูอารมณ์ก็ได้ดูกิเลสที่เกิดขึ้นในจิตก็ได้มันมีให้ดูได้หลายอย่างด้วยกันคุณอัฏฐภากรครับเพิ่งกลับมาจากการปฏิบัติธรรมที่วัดมาไปครั้งนี้ด้วยความรู้ว่าสิ่งที่ที่ควรรักษาที่สุดคือใจของเราแต่การรักษาใจในชีวิตประจําวันนั้นเป็นเรื่องยากมากเมื่อเราต้องมาเจอผักษะในชีวิตประจําวันกลับขอความเมตตาพระอาจารย์แนะนําแนวทางการใช้ปัญญาวางใจครับ ถ้ายังไม่มีสติมันใช้ปัญญาไม่ได้หรอกต้องพยายามฝึกสติก่อนดีกว่าฝึกสติวางใจด้วยสติก่อนพยายามควบคุมความคิดทั้งพุทโธพุทโธไปทั้งวันพยายามอย่าไปคุกคีอย่าไปยุ่งเกี่ยวใครไปไปปฏิบัติธรรมมันที่เราไม่ต้องทางานไปอยู่วัดที่ไม่ไม่ให้เราไปคุกคีไปไปยุ่งเกี่ยวกับใครให้เราอยู่คนเดียวเดินงจงกรมนั่งสมาธิเจริญสติไปก่อน ถามีสติมีสมาธิแล้วค่อยใช้ปัญญาวางใจต่อไปได้คุณขวัญครับหากเราต้องทํางานพบปะผู้คนสังคมในที่ทํางานเราจะถือความสันโดษได้อย่างไรควรปรับที่ใจที่ความคิดของตัวเราก่อนหรือไม่ครับ <c oughs> มันก็ไม่เกี่ยวกันเนี่เราพบปะกับคนแล้วแล้วก็พบกันไปมันไม่เกี่ยวกับสันโดษนอกจากว่าถ้าเขาชวนเราไปเอ ซื้อของฟุ่มเฟือแล้วก็อาจจะปฏิเสธแล้วพอแล้วมีแค่นี้พอแล้วคุณอุมาครับข้อที่หนึ่งนะครับเมื่อคนที่ยังมีทิฏฐิมานะมีการยึดมั่นถือมั่นในตัวตนอยู่ยึดมั่นในตําแหน่งหน้าที่บุคคลเหล่านี้ย่อมเข้าไม่ถึงความสันโดษใช่หรือไม่ครับไม่ใช่หรอบกบุคคลเหล่านี้ไม่ย่อมไม่เข้าถึงคำสั่งคำสอนของผูพ้พราะถือตัวถือว่าตนแรงเก่งตนเองฉลาด ไม่ต้องไม่ต้องเรียนรู้จักใครมากกว่าเราไม่สามารถที่จะไปฝึกฝนอบรมเรียนเรียนกับผู้ที่เขารู้มากกว่าเราได้ข้อที่สองครับความสันโดษเป็นพื้นฐานส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งผลให้จิตใจเข้าสู่อุเบกขาได้ใช่หรือไม่ครับความสันโดษมันก็ทําให้เราไม่ต้องมาวุ่นวายกับการแสวงหาปัจจัยสี่มากจนเกินไปเราก็จะได้มีเวลาที่จะไปเจริญสตินั่งสมาธิให้จิต เข้าสู่เบ็ดขาได้ง่ายขึ้นก็ได้คุณดําครับไม่ได้บวชเป็นเออไม่ได้บวชเป็นโสดาบันได้ใหม่แล้วต้องทําอย่างไรครับได้ไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือเป็นเป็นคราวาก็ต้องปฏิบัติทำแบบเดียวกันเหมือนกินอาหารเนี่ยเป็นเป็นคราวาสหรือเป็นพระถ้าจะให้ท้องมันอิ่มันก็ต้องกินอาหารเท่ากันถ้ากินก๋วยเตี๋ยวสองชามด้วยกันมันก็อิ่มเท่ากัน ไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นคารวะการปฏิบัติธรรมก็เหมือนการทําเอาอาหารให้กับใจคือสติสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นอาหารของใจพอเราปฏิบัติเจริญสตินั่งสมาธิได้พิจารณาตายรักได้อริยสัจสีได้เราก็บรรลุเป็นพระโสดาบันได้ไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นเคารวะไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เป็นประเด็นสําคัญที่มัน ที่มันจะสําคัญก็ตรงที่ว่าการเป็นพระมันจะมีเวลามีโอกาสได้ปฏิบัติมากกว่าการเป็นคารวะเท่านั้นเองเพ็นโอกาสที่จะบรรลุมันจะมากกว่าถ้าเป็นพระมากกว่าเป็นคารวะคุณแ <c oughs> คท <c oughs> ครับถือศีลได้แค่เจ็ดข้อเวลาอาราธนาศีลครัวอาราธนาศีลห้าหรือแปดครับเพราะยังติดเรื่องให้ดูดีในสายตาคนอื่นแต่ธรรมชาติที่สุดครับก็อาราธนาเจดข้อใช่ไหมครับ ก็เราถือได้สิธิจ็ดข้อแล้วก็พัฒนาจดข้อเลยคุณยงครับถ้าทุกคนถือสันโดษการพัฒนาทั้งตัวเองและบ้านเมืองจะทำได้อย่างไรครับเพื่อให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นบ้านเราก็จะมีพอลิชันน้อยลงเนี่ยฝุ่นเอ็เอมสมนี่ก็จะน้อยลงถ้าทุกคน อ, อ, อยู่แบบสันโดษไม่ต้องมีรถยนต์ก็ได้ขึ้นรถเมย์กันขึ้นรถไฟฟ้ากัน ภายเรือกันขี่จักรยานกันบ้านมอนก็จะมีความมีความสะอาดมากขึ้นคุณทีครับภรรยาไม่มีไรายได้แต่ผมทำงานให้ภรรยาเป็นคนจัดการเรื่องเงินเก็บเงินภรรยานำเงินไปทำบุญภรรยาได้บุญไหมครับมันถ้าเป็นยงางของเราแล้วภรรยาเเงินของเราไปทำบุญก็เขาก็จะไม่ได้บุญ นอกจากว่าเราให้เงินส่วนหนึ่งของเราไปให้กับเขาแล้วแล้วแต่เขาจะไปใช้อะไรแล้วถ้ า, าเงินนั้นไปทําบุญเขาก็จะได้บุญคุณสํารวนครับปราบธรบรมสการครับมีเรื่องที่ทุกไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรคือว่าดิฉันไปได้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งหนึ่งที่อีสานท่านสอนดีมากก็เลยบอกให้พี่สาวดูท่านเทพ ไลฟ์สดพี่เขาบอกว่าเข้าใจง่ายพี่สาวเขาก็เข้าวัดปฏิบัติธรรมเหมือนกันแต่เขาบอกว่าที่วัดท่านให้ทํากันเองเขาเลยบอกว่าถ้าไปอีกบอกด้วยนะพอถึงวันที่ทางวัดจัดปฏิบัติธรรมอีกก็เลยพาเขาไปด้วยพออยู่ครบวันกลับมาเขาก็บอกว่าครั้งหน้าจะไปอีกวัดที่ไปปฏิบัติธรรมท่านจัดปีละสาครั้งครั้งละสี่วันห้าวันเจ็ดวันปัญหาคือว่าพอ กลับมาลูกสาวลูกของพี่สาวไม่พูดกับอีฉันเลยแล้วจะทำอย่างไรพี่สาวก็อยากไปอีกครับก็ไม่รู้เหมือนกันจะทำยังไงมันก็เป็นเรื่องของลูกสาวเขาไม่พูดเับเขาไม่พูดทนั้นเองไม่เราจะต้องไปวิตกอกังวลอะไรเขาไม่พูดก็ไม่พูด <c oughs> คุณแดงครับ สมาธิคือใจว่างๆอุเบกขาไม่ยินดียินร้ายรู้เท่าทันความเป็นจริงใจสะอาดเหมือนน้าใสๆในแก้วน้าแบบนี้เข้าใจถูกต้องไหมครับก็คือใจไม่มีอารมณ์เลยไม่มีความรักชังกลัวหลงเวลาใจมีความสงบมีอุเบกขาคุณเที่ยวไปเรื่อยครับชอบอยู่คนเดียวไม่ชอบความวุ่นวายจากผู้คนโดยเฉพาะญาติๆแบบนี้พอจะไปบวชได้ไหมครับ ก็ลองทําดูซิคนเนเนครับจะทําอย่างไรถึงจะหยุดกิเลสและทําอย่างไรให้เรามีสติถึงเราจะถึงเราทําอะไรโดยไม่ยังคิดไร้สติครับก็เริ่มต้นที่ตั้งแต่ถึงเช้าขึ้นมาก็เริ่มท่องพุทโธไปทั้งวันเลยถ้าทําได้ก็จะมีสติขึ้นมาจะหยุดกิเลสได้ได้มากเพียงแต่เราไม่ทํากันนะพอลืมตาขึ้นมาก็พุทโธเลยพุทโธพุทโธพุทโธไป แล้วก็ไปล้างหน้าแปลงคันอาบน้ำแต่งเนื้อแต่งตัวกินข้าวกับพูดโธพุดโธไปแล้หยุดพูดโธก็ต่อเมื่อเราต้องพูดหรือต้องคิดอะไรที่จําเป็นจะต้องคิดพอไม่มีความจําเป็นจะต้องพูดต้องคิดอะไรแล้วก็พูดโธพูดโธต่อไปทั้งวันอย่างนี้สิเราก็จะควบคุมใจควบคุมความคิดควบคุมกิเลสได้เกิดกิเลสได้คุณทีครับ ผมขับรถเหยียบงูเสียชีวิตโดยไม่ได้ตั้งใจงูจะจองเวรเราไหมครับไม่น่าจะจองเวรเพราะไม่รู้ว่าเราไม่มีอะไรกับเขามาก่อนเขาก็ไม่มีอะไรกับเรามาก่อนไม่มีประเด็นกันที่จะทําให้เขามากอดมาเกลียดเราคุณประพันธ์ครับการเรียนถามครับผมเป็นคารวาสผมไปซื้อกรดที่พระสงฆ์ใช้มากางสวดมนต์ทาสมาธิในกระท่อมเล็กๆเอาไว้ใต้ต้นไม้ในป่าผมทําอย่างนี้ได้หรือเปล่าครับ ได้ไม่ไม่เป็นไม่ได้เป็นมีข้อห้ามไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมใดอย่างใดยกเว้นว่าถ้าไปเอาจีวอของภาพมานุ่งห่มแล้วก็ไปเอาไปเรียร์ไลน์หรือเอาไปบินทบาานี้โดยที่ไม่ได้เป็นเรียกเป็นภาพบอมถ้าอย่างนี้อาจจะถูกจับเข้าปิดคุกได้ จากไม่ประสงค์ออกนามครับการพิจารณาซากศพเก้าชนิดในมหาสติปฐานกับในกายคตาสติสิบชนิดมีความแตกต่างกันไม่มากใช่ไหมครับก็ไม่ทราบว่ามันเราก็ม่จะเปรียบเทียบดูนะไม่ทราบว่ามีเก้าชนิดกับสิบชนิดแเราแค่มีสิบชนิดอยู่ <c oughs> ไม่ทราบว่าเขาเขารวมกันชนิดใดรวมกันเข้ามาเป็นเป็นข้อเดียวกันหรือเปล่ามันกับสินแปดสินแปดกับสิลสิบเนี่ยคนก็งงว่าไอเราสิน สินสินสิบนี่กับสินแปดมันมันขาดมันต่างกันแค่ข้อเดียวก็คือการไม่จับต้องเงินทองย่างนมันก็เป็นสินเก้าทําไมเป็นศินสิบจริงๆสินแปดมันเป็นศินเก้าเพียงแต่เขาเรียกว่าสินสิบเอาเอาเอาสองข้อมารวมกันในข้อเจ็นี่เขาสองข้อมารวมกันข้อที่ไม่ให้ดูมโหสถันเทากับไม่ให้แต่งเนื้อแต่งตัวนี่เป็นสองข้อแยกกันถ้าถือสินสิบมันก็จะแยกออกจากกัน ก็จะเป็นสีนเก้าแล้วเพิ่มสินข้อที่สิบก็คือไม่จับต้องเงินทองไม่ครอบครองเงินทองไม่ใช่เงินทองอันนี้มันก็อาจจะอยู่ในลักษณะนี้ก็ได้นะก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่เป็นประเด็นสําคัญเท่าไหร่ให้เรารู้ว่าลักษสมนี้มันน่าดูไม่น่าดูมันน่ารักหรือไม่น่ารักถ้าเกิดแฟนเราเกิดตายไปในคืนนี้เรายังจะเก็บแฟนร่างกายของแฟนไว้นอนกับเราหรือเปล่า เนี่ยคือเป้าหมายของการให้ดูให้เห็นร่างกายว่าเป็นซากศพเพื่อเราจะได้ละการมารมได้คุณปายครับนั่งสมาธิไปเรื่อยๆอารมณ์เบาแล้วรู้สึกว่างจากการปรุงแต่งมีอาการหูดับแต่มีสติตามรู้ทุกขณะแม้ลมเข้าลมออกแต่ก็สักว่ารู้รู้อย่างเดียวแต่เหมือนมีผู้ดูคอยดูผู้รู้อีกทีหนึง่งแต่ก็รู้เฉยๆจะต้องไปพิจารณามไหมครับหรือว่าให้รักษาความรู้เฉยแบบนี้ครับ ก็พยายามให้รู้เฉยให้ได้ให้ได้ได้เลยแม้กระทั่งออกจากสมาธิมาถ้าเรารู้เฉยได้เราก็จะสบายใครด่าเราเราก็รู้เฉยใครชมเราเราก็รู้เฉยใครขโมยของเราไปเราก็รู้เฉยไม่โกรธไม่เสียใจก็ดีเลยทําอย่างนี้ได้ก็สบายก็บรรลุได้คุณโคโค่ครับ ชาตินี้เริ่มทราบว่ามีเวรกรรมเข้ามาเร็วและมีบุญที่ส่งผลเร็วในชาตินี้เช่นกันเราควรคิดและทำแต่สิ่งดีๆใช่ไหมครับใช่ทำแต่บุญละบาป <c oughs> คุณไลโคพีนครับนิมิตรของอุปจารสมาธิสมมติว่าเทวดามาหาเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเทวดาจริงหรือไม่จริงถ้าสมมติเขาพูดคุยสอบถามได้แบบนี้ของจริงไหมครับ เราก็ไม่มีนะครับไม่กล้าตอบข้อนี้แล้วแต่ต้องต้องต้องไปเจอของจริงก็จะรู้เองว่าจริงหรือไม่จริงคุณสำรวนครับขอถามเพิ่มเติมครับถ้าครั้งต่อนตอนหน้าไปโดยไม่บอกก็กลัวออกอันนี้คำถามคล้ายๆเดิมครับเรื่องพูดกับหลานครับคุณจินนี่ครับ นั่งไปสักยี่สิบนาทีมีอาการทั้งปวดชาขาเวียนหัวตัวลอยร้อนหนาวมาพร้อมกันต้องแก้ไขและควรกำหนดอย่างไรครับทรมานมากครับก็แสดงว่าเราไม่มีสติหรือสติมีกำลังอ่อนก็ต้องพยายาพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่ น, อยนั่งเฉยเฉยคุณสัมพันธ์ครับวันนี้โกรธคนในบ้านเราเฉยไปเลยกับผมทำถูกต้องไหมครับ ถ้าเราถ้าเราล่าความโกรธได้ก็ถูกต้องคุณก้อยครับเวลาไปวัดเราไปกับคนที่อยากไปทําบุญด้วยกันแต่ก็มีคนที่เราไม่อยากให้ไปด้วยเราจะพยายามกีดกันไม่ให้คนนั้นไปด้วยเราจะบาปไหมครับที่ไม่ชวนคนที่ไม่ชอบไปด้วยครับถ้าเราขีดกันเขาก็ไม่ดีถ้าคนก็จะทําบุญเราก็ต้องปล่อยให้เขาทาบุญไป แ้่ไม่ถือว่าบาปเรเพียงแต่ว่ามันเป็นการกระทำที่ไม่ไม่สมควรที่จะกระทำควรจะนุโมทนามากกว่าควรจะชื่นชมยินดีกับการทำบุญส่งเสริมเขาให้ได้ทำดีกว่าคุณอ้อนครับไม่ทราบว่าเทวดาจะมีการเบื่อในสุขไหมครับหรือว่าต้องรอให้หมดบุญแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์จึงจะรู้สึกเบื่อในสุขในทุกจึงจะปฏิบัติทําให้หลุดพ้นครับ คุณเบื่อไเวล า, วลาคุณมีเงินใช้ตลอดเวลาอยากจะทำอะไรก็ทำได้ตลอดเวลาไม่มีวันเบื่อหรอกถ้าคุณมีเงินใช้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องทำงานอยากจะเที่ยวก็เที่ยวได้อยากจะดูก็ดูได้อยากจะฟังก็ฟังได้อยากจะกินก็กินได้แล้วคุณจะไปเบื่ออะไรคุณวราพรครับ เมื่อนั่งสมาธิกำหนดลมหายใจปรากฏแสงสว่างเป็นสีต่างๆเปลี่ยนตลอดเราควรกำหนดไปที่แสงสว่างนั้นหรือยังกำหนดที่ลมหายใจเหมือนเดิมครับอยู่ที่รลมหายใจอย่าไปสนใจกับสิ่งอื่นๆที่ปรากฏขึ้นมาในขณะที่เรานั่งสมาธิถ้าเราไปสนใจกับสิ่งอื่นๆเราก็จะไม่ก้าวหน้าต่อไปเราก็จะจุดเราก็จะติดอยู่ตรงนั้นจิตก็จะเข้าสู่ความสงบนิ่งเฉยไม่ได้คุณซีดครับ สมัยนี้มีการอบรมวิปัสนาคอร์สมากมายและสงสัยว่าจะพิจารณาอย่างไรว่าเป็นการฝึกวิปัสนาที่ถูกต้องและการฝึกวิปัสนาที่ถูกต้องต้องทำอย่างไรครับขออาจารย์ชี้แนะครับก็มันก็มีสามขั้นตอนอในการฝึกวิปัสนาคือก่อนจะไปวิปัสนาได้เราต้องฝึกสติต้องนั่งสมาธิต้องมีศีลก่อนต้องรักษาศีลแปดขึ้นไป แล้วก็ไปฝึกสติเดินจงกรมนั่งสมาธิทำใจให้สงบมันใจสงบแล้วแล้วก็ไปฝึกปัญญาที่เรียกวิปัสสนาไปพิจารณาอริยสัจ ส, สีตายลักในขันท่าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้ก็คือแนวของการปฏิบัติทางาศาสนาบุญฟาโรครับการมีสติอยู่กับผู้รู้เป็นบุญกุศลอย่างไรครับ ก็ทำให้จใจใม่ทุ้งทุ่งซ่าใจเย็นใจสบายคุณจกักรเกตครับผมนั่งนอนฟังพระอาจารย์เทศสนาธรรมเป็นบาปหรือไม่ครับไม่เป็นไม่บาปเลยอาจารย์จะไม่ได้ประโยชน์ถทาที่ควรเพาอาจจะเผลอหลับไปได้คุณอังหุ่นเปรี้ยวครับการร่วมสร้างพระพุทธ ร, รูปใหญ่ในวัดถือเป็นการค้าชูศาสนาและได้อานิสงส์หรือเปล่าครับ องค์ยิงกนจะค้าชูพระพุทธศาสน า, าจริงๆนี้ต้องคําค้ำชูด้วยการสนับสนุนการศึกษาการปฏิบัติและการบรรลุธรรมศาสนาจะอยู่ได้ไม่ได้นั่นอยู่ที่ว่ามีพระอรหันต์มาบรรลุธรรมอยู่เรื่อยๆหรือเปลา่าเราต้องมีผู้บรรลุธรรมที่รู้จริงเห็นจริงที่จะสามารถนำเอาธรรมที่แท้เนี่ยมาเผยแผ่สั่งสอนให้อยู่ต่อไปในโลกนี้ไปได้นานๆ งนการจะสร้างพระพุทธรูปหรือไม่นี้มันไม่เป็นประเด็นที่จะทําคำจูนศาสนาแต่อย่างใดแต่การสร้างพระอาราหารเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญอย่าไปสร้างพระพุทธรูปให้สร้างพระอาราหารกันการจะสร้างพระอาราหารก็ต้องมีการศึกษามีการปฏิบัติทำรรคุณใบยกครับสิ่งที่ลูกเข้าใจคําว่าจิตวิญญาณเปรียบดังโลกใบนี้ที่เรารู้ว่ามีอากาศ เราถึงดำรงอยู่ได้แต่เราก็ไม่เคยเห็นตัวอากาศนั้นเช่นเดียวกับคําว่าจิตวิญญาณลูกเข้าใจเปรียบเทียบแบบนี้ถูกต้องไหมครับก็ถูกต้องจิตวิญญาณมันเป็นเหมือนความว่างความว่างของอากาศที่อยู่รอบตัวเรานี่คุณฟรายเอ็กครับนั่งสมาธิต้องไปนั่งที่เงียบๆในป่าถูกไหมครับถ้านั่งที่บ้านมีเสียงรบกวนจะไม่สามารถเข้าสมาธิได้ถูกไหมครับรก็บมีส่วนแต่ไม่ไม่จําเป็นเสมอไป ถ้ามีสติเยอะๆก็อาจจะสามารถเข้าสมาธิได้ถึงแม้อาจจะมีเสียงบ้างแต่ถ้าไม่มีสติแล้วถ้ามีเสียงมารบกวนก็จะทําให้เข้าสมาธิได้ยากกว่าแต่ถ้าเป็นนั่งสมาธิที่ไม่มีเสียงมารบกวนถ้ามีสติมันก็จะเข้าได้ง่ายแต่ถ้าไม่มีสติถึงแม้ว่าจะอยู่ในที่สงบมันก็ไม่เข้าอยู่ดีมันมันอยู่ทั้งสองส่วนในการต้องมีทั้งภาพสงบภายนอกแล้วก็ต้องมีสติคอยควบคุมใจ ภายในนอีกตัวึงคุณสวงอนโนงครับทําบุญให้โรงพยาบาลโดยใช้ชื่อของหลานในใบเสร็จเพื่อไปลดหย่อนภาษีได้แล้วเราจะได้บุญจากการบริจาคของเราไหมครับก็ได้ส่วนที่เราไม่ได้หักออกฮะเวลาไปเบิกคืนนี้ส่วนนั้นเราก็ไม่ได้เพราะเราเอาคืนมาเช่นเราบริจาคร้อยหนึ่งแล้วเราไปลดหย่อนภาษีได้ได้สิบบาท เราก็ทําเท่ากับเราก็ทําแค่เก้าสิบบาทเพระเราได้เงินคืนมาสิบบาทด้วยกันบุญเราก็เลยได้ไม่เต็มร้อยคุณเก้าสองแปดเจ็ดครับการบริจาคครกหินของมารดาที่เสียชีวิตไปแล้วเป็นครกที่ใช้แล้วบริจาคให้โรงครัวของวัดจะดับจะบาปไหมครับเพราะเป็นของใช้แล้วครับถ้าว่าช่องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ก็ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่บาปเป็นเป็นบุญ เป็นการให้ของที่ยากใช้ได้อยู่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ยอมเอาของเสียของเก่าไปทำบุญทั้งนั้เพราะว่าอ น, นิสงฆ์คนเขากลัวกันอย่างว่าถ้าให้อะไรอย่างนั้นก็จะได้อย่างนั้นกลับมาชาหน้าเดี๋ยวก็จะได้ของเก่ากลับมาเพราะเราให้ของเก่าเของไปใช้ต่อไปเวลาเราได้อา น, นิสงฆ์ของบุญของเรามันก็จะส่งผลแบบเดียวกับบุญที่เราทำให้อะไรไปอย่างไดมันก็จะได้อย่างนั้นกลับมาให้ของดีไปมันก็จะได้ของดีกลับมา ไห้ของเก่าไปมันก็จะได้ของเก่ากลับมาเทานั้นเองคุณแอลคอครับมักจะคิดถึงพ่อแม่พี่สาวที่เสียไปแล้วและมีความโศกเศร้าและคิดถึงต้องทําอย่างไรถึงจะบรรเทาครับหยุดความคิดเถอยใช่ต้องพูดโทรพุโทโธรไปแล้วสวดมนต์ไปอย่าปล่อยให้คิดพอไม่คิดแล้วความเศร้ามันก็จะหายไปคุณนกครับ พระว่าที่รักษาศีลห้าต่างกับศีลปัตตาปรามาในสังโยชน์ไหมครับการรักษาศีลห้ามันก็เป็นการเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปอยู่แต่ยังเชื่อแบบไม่แน่ใจว่าเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงเพราะยังไม่ได้เห็นกับตาแต่การละสังศีลปัตตาปรามาได้นีนเป็นการเห็นชัดเจนว่าการรักษาศีลห้านี้มีประโยชน์ต่อจิตใจคือจะป้องกันไม่ให้จิตใจไปเกิดนายบายได้ อันนี้ไม่ได้เกิดจากความเชื่อกิดจากความเห็นจริงต่างกันคุณสุรัชลาครับการเรียนถามพระอาจารย์หากเราชี้บอกเหตุผลไม่ให้คุณแม่เราเข้าใจในสื่อที่ผิดๆเช่นข่าวที่ไม่เป็นความจริงเรื่องคิปปลอมที่แชร์มาให้เชื่อผิดๆยาปลอมครีนปลอมเราจะเป็นบาปไหมเจ้าค่ะที่บอกแม่ในสิ่งที่ถูกต้องแต่คุณแม่ไม่ฟังและบางทีก็ต่อว่าเราว่าเราไม่ยอมเชื่อแบบเขาจะแก้ไขยอย่างไรครับ ก็อย่าไปบอกสิเพราะว่าเราไม่ไมีหน้าที่ที่จะไปสั่งสอนพ่อแม่นอกจากว่าท่านขอความขอความปรึกษาจากเราแล้วค่อยบอกได้แต่ถ้าไม่ถามเราเราไม่ควรไปสั่งสอนพ่อแม่คุณนิรดาครับดิฉันเป็นหมอนรองกระดูทับเส้นทําให้นั่งสมาธิแล้วเจ็บที่หลังไม่สงบเลยใช้มาปรับเป็นนอนสมาธิแทนไม่ทราบว่าจะไช้บุญไหมครับก็ได้ถ้าไม่หลับนะ ส่วนใหญ่ท่านนอนสมาธิมันจะหลับใช้มากกว่าคุณเอกชัยถามว่าถือศีลห้าอย่างเดียวปิดอบายภูมิได้ไหมครับได้ถ้าถือศีลห้าไปตลอดชีวิต <c oughs> ไม่ทํำบาปเลยคุณแนนนี้ครับการเป็นผู้ให้อุปถัมภ์ค้าจุนผู้อื่นทั้งสิ่งของและเงินทองถือเป็นการทําทานได้บุญอยู่ใช่ไหมครับแต่ก็สุขใจก่อนเลยที่ได้ให้ครับ ได้ก็ไปการทำบุญทาทานนีเผลเก็คือความสุขใจที่เกิดจากการให้นี่คุณฤทธาครับลูกชอบดูไลฟ์สดขายสินค้าและซื้อเป็นประจำทั้งที่บางอย่างรู้ว่ามีเยอะแล้วแต่เห็นว่าสวยงามและอยากได้เท่านั้นแบบนี้ลูกมีโมหะใช่ไหมครับและลูกควรวางใจอย่างไราตามหลักของความสันโดษเพื่อจะหักห้ามใจตนเองให้หยุดซื้อหยุดดูหรือซื้อและดูให้น้อยลงครับ ก็ดูที่ความจําเป็นว่าเราจะต้องมีสินค้าชนิดนั้นหรือไม่ถ้าถ้าจําเป็นต้องมีมันก็ไม่ไม่เป็นความโลภแต่ถ้ามันไม่มีความจําเป็นจะต้องมีอันนี้ก็ถือว่าเป็นความโลภงั้นต้องดูความจําเป็นเป็นหลักว่าเราจําเป็นจะต้องมีมันหรือไม่ถ้าขาดมันแล้วเราชีวิตเราจะลําบากยุ่งเหยิงมีปัญหาตามมาอันนี้เราก็ต้องมีมัน แต่ถ้าไม่มีมันแล้วเราก็อยู่ได้อย่างสบายไม่เดือดร้อนแล้วก็แล้วก็อย่าไปอยากแล้วก็อย่าไปอยากได้คุณคณิ t ฐาครับตอนแม่มีชีวิตอยู่แม่ไม่เคยปฏิบัติธรรมแต่ท่านจะใส่บาตรเช้าทุกวันและท่านจะสวดอิติปิโส ต, ตลอดเท่าที่นึกได้แม้เป็นรมาพาศก็นอนสวดจนมาสุดท้ายก็พาท่านสวดหลังจากท่านเสียประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงอยู่ในโรงเย็น หมอมาตรวจศพแม่มีผิวพรรณเหลืองออราสวยนอนยิ้มไม่เคยเห็นศพที่สวยทั้งที่ไม่ได้แต่งหน้าเลยเป็นอนิสงที่แม่สวจอิติปิโสตลอดไหมครับตอนนี้ก็ไม่ทราบเหมอือนกันนะ แ, แต่คุณสรยาครับถ้าเราต้องการสันโดษเราจะทำการค้าไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะการทำการค้าจะต้องมีการแข่งขันตลอดเวลาถ้าเราไม่หากลยุทธ์ก็จะไปต่อไม่ได้ถ้าต้องการสันโดษต้องเปลี่ยนอาชีพใช่ไหมครับ ไม่ใช่เราการสันโดยก็พูดถึงการบริโภคของที่เราบริโภคเช่นปันจจัยสี่อาหารเครื่องหวมที่อยู่อาศาัยราักษาโลกนี้เท่านั้นส่วนการทำาหากินเราก็ทำไปตามเหตุตามผลจะต้องโฆษณาก็ต้องโฆษณาต้องลดล่แาจากแถมว่าต้องทำไปถ้าเราขายของได้มันคนละเรื่องกันครับคุณพัฒพิมพ์ครับอยากทราบวิธีดับทุกข์ในใจครับ ลา ก, กิเลสให้หมดสิ้นไปจากใจลาความอยากต่างๆลากความโลภ ค, ความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปจากใจคำถามสุดท้ายครับคุณสัมพันธ์ครับเห็นการเกิดดับในขณะพิจนารณาการเดินควรทําอย่างไรต่อครับอะไรเกิดดับไม่ทราบเห็นการเกิดดับอะไรมันต้องมีอะไรที่เกิดดับสิจะเห็นื่อร่างกายเกิดแล้วต้องตายแล้วเราหราตรงได้เรายอมให้ร่างกายตายได้มันก็เราก็หลุดพ้นได้ โดยพ้นจากความทุกข์เวลาตายเราก็จะไม่ทุกข์กับมันกับขอโอกาสครับพระอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆฟังธรรมอยู่ใน f a c e b o o หนึ่งพันยี่สิบเก้าคนครับใน y o u t u เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอดคนใน c l u b เฮ u s ์หกคนครับมีเพื่อนๆฟังธรรมด้วยกันหนึ่งพันแปดร้อยหกคนครับพระอาจารย์ครับอ้วันนี้ได้สถิต ด, ดีใหมนะคุณหมอขึ้น1ึงพันแปดแล้ว ก็ยินดีกับทุกท่านที่เข้ามาร่วมสนทนาร่วมฟังกันหวังว่าคงจะได้รับประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยแล้วนำออาไปใช้ในการปฏิบัติให้ให้เกิดความเจริญก้าวหน้าต่อไปการสนทนาธรรมสำหรับคืนนี้ก็คิดว่าพอสมควรใจเวลาก็ขอให้ท่านจงนำมาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอา สุก็ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมพื่ฟังไว้เพียงเท่าน oui> ี้ถ้าไม่มีเหตุขัดท้องอันใดก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเช่นเคยเวลาเวลาเวลาเดิมวันวันอาทิตย์หน้าก็ขอเจริญพรกลับขอบคุณพระอาจารย์ครับ